ในการปฏิบัติธรรมคือการเจริญจิตตะภาวนาสามถะภาวนาวิปัสนาภาวนาด้วยการเดินจงกรมนั่งสมาธิจะมีอุปสรรคคอยขวางกัน้นการปฏิบัติไม่ให้เป็นไปอย่างง่ายดายและราบรื่นอุปสรรคเหล่านี้ พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่านิวรณ์มีอยู่ห้าประการด้วยกันคือหนึ่งความรังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองความยินดีความรักในความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกเลื้นกายสามความง่วงเหงาหานอน สความฟุ้งซ่านความคิดฟุ้งซ่านห้าความพยาบาทความโกรธอาฆาตพยาบาทโยวเหล่านี้เวลาเกิดขึ้นจะทำให้ไม่มีกระจิกกระใจที่อยากจะเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่มีกระจิตกระใจที่จะเจริญสติ จเจริญสมาธิจเจริญปัญญาพระพุทธเจ้าจึงทรง ส, งสอนทรงมอบเครื่องมือในการแก้นิวรณอุปสรรคเหล่านี้ถ้ามีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ทรงสอนให้หมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆดังที่ทรงตรัสไว้ว่าการเลนะธรรมะสวนงัง เอตํมมังกัลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะสามารถกําจัดความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้การฟังธรรมจึงจําเป็นต้องฟังจากพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกเท่านั้นเพราะเป็นผู้ที่รู้ธรรมจริงถ้า ไปฟังจากผู้ที่ไม่รู้ธรรมจริงก็จะไม่ได้รับการแก้ไขเพราะผู้ที่ไม่รู้ความจริงของธรรมย่อมไม่สามารถพูดตามความจริงได้เช่นมีคําถามอยู่คําถามหนึ่งในอาทิตย์นี้ที่บอกว่าได้ไปคุยกับพระรูปหนึ่งแล้วท่านบอกว่าถ้าไม่มีบุญบาราี ตอให้ทําความเพียนไปขนาดไหนก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุได้อันนี้ก็เป็นคำสอนด้วยคำพูดที่ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในท้ายพระสูตรของสติปัฏฐานสูตรแล้วว่าผู้ใดก็ตามถ้าเพียงพยายามปฏิบัติตามพระสูตรคือเจริญสติเจริญสมาธิ จเจริญปัญญาได้ผู้นั้นย่อมสามารถบรรลุได้ภายในเจวันหรือเจเดือนหรือเจปีเป็นอย่างช้านี่คือการที่เราจะสามารถกําจัดความสงสัยต่างๆได้ถ้าเราฟังธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าเราจะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็ต้องฟังพระสูตรต่างๆ เป็นธรรมจากกัปปะลักกัปปวัตตนสูตรสติปัฏฐานาสูตรอนัตตรคกนณสูตรมงคลสูตรเป็นต้นพระสูตรเหล่า น, นี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะได้มีความแนว่วแ น, วแนว่มั่นคงต่อการปฏิบัติหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องฟังจากพระอั สองอริอสงสาวกทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือพระสุปฏิบโนท่านก็เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมท่านก็จะสามารถแสดงธรรมได้อย่างถูกต้องจะทำให้เราไม่มีความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นด้านเหตุหรือด้านผล ดานเหตุก็คือการปฏิบัติด้านผลก็คือการบรรลุมรรคผลนิพพานตามลําดับนี่คือวิธีการที่เราจะกําจัดความลังเลสงสัยได้ที่จะเป็นอุปสรรคเพราะว่าถ้าเรามีความลังเลสงสัยเราจะไม่กล้าทุ่มเทชีวิตจิตใจทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับการปฏิบัติ เหมือนกับการที่ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วเขาบอกว่าไม่มีวันที่จะถูกลอตเตอรี่ไม่มีวันที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งหรือรางวัลใดเลยมีใครอยากจะไปซื้อลอตเตอรี่บ้างแต่ที่เขาซื้อกันเพราะเขาเชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะถูกได้ถ้าซื้อมากก็จะมีโอกาสที่จะถูกมากคนนึ่งคนถึงทุ่มเทงินทองเพื่อซื้อลอตเตอรี่กันอย่างมากมาย เพราะหวังที่จะได้ถูกรางวัลใหญ่หญๆเช่นรางวัลที่หนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าเขามีความมั่นใจในในเหตุและผลเหตุก็คือการซื้อลอตเตอรี่ผลก็คือการถูกรางวัลลอตเตอรี่นี่เองนี่ก็เช่นเดียวกันการปฏิบัติกิตตภ า, าวนาถ้าเรามีความนองเลสงสัยไม่มั่นใจ เราก็จะปฏิบัติไม่เต็มที่หรือไม่อยากจะปฏิบัติเลยแต่ถ้าเรามีความมั่นใจว่าการปฏิบัตินี้จะนำมาซึ่งผลที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับและสามารถได้รับได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยมันก็จะทำให้เรามีความแน่วแน่มีความเชื่อมั่น มีความตั้งใจมีจิตตะมีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการเจริญสติเจริญสมาธิและเจริญปัญญาดัางนั้นถ้าท่านยังมีความลังเลสงสัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ก็แสดงว่าท่านยังไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอย่างท่องแท้หรื อ, อยังฟังไม่ได้แบบทั่วถึงก็ต้องพยายามค้นคว้าศึกษาหาความรู้สงสัยอะไรก็เข้าไปค้นคว้าหาได้ยิ่งสมัยนี้พระไตรปิฎกนี่มีอยู่ในอยู่ในอินเทอร์เน็ตสงสัยคาไหนก็ใส่คาสงสัยเข้าไปแล้วก็จะมี ข้อความโผล่ขึ้นมาในพระสูตรต่างๆนี่ก็คือวิธีการแก้ความนังเลสงสัยในพระพุทธรธรมรมผสง์ได้ทั้งในด้านเหตุคือการปฏิบัติและทางด้านผลก็คือการบรรลุทำขั้นต่างๆนี่ก็คือนิวรณข้อหนึ่งที่เราต้องกำจัดให้ได้ ถ้าไม่เช่นนั้นแนละ้วเราจะไม่มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาคือจะไม่มีอิทธิบาสีถ้าไม่มีอิทธิบาทสีทำอะไรก็จะไม่มีวันสาเร็จได้อิทธิบาสีก็แปลว่ า, อ, าอิทธิแปลว่ า, าความยิ่งใหญ่หรือความสาเร็จบาทก็คือทาง ทางสู่ความยิ่งใหญ่ทางสู่ความสำเร็จมีอยู่4ข้อด้วยกันคือฉันทะความพอใจความชอบใจวิทยะความอุตสาหะภาคเพียนจิตตะความแน่วแน่จดจอ่อกับงานที่จะต้องทำวิมังสาจิตไายควรอยู่กับเรื่องงานอย่างเดียว งานที่ต้องทำอย่างเดียวถ้าเรามีความเชื่อมั่นในการจเจริญจิตตะภาวนาเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเชื่อแล้วว่าถ้าปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบมากผลนิพพานก็จะต้องเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนเราก็จะมีความพอใจมีฉันทะที่จะปฏิบัติพอเรามีฉันทะความพอใจความเพียรก็มาเอง เวลาเราชอบอะไรเราไม่ต้องบังคับให้ทำในสิ่งที่เราชอบเพราะว่าพอเราชอบอะไรเราก็อยากจะได้สิ่งที่เราชอบเราก็จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างสิ่งที่เราชอบขึ้นมาให้ได้เราก็จะมีความเพียรอย่างไม่น่าเชื่อสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่หลับเท่านั้น ที่จะไม่มีความเพียแเ้วใจก็จะมีแต่ความแน่วแน่ต่อการปฏิบัติกายจะมาชวนไปทำภารกิจอย่างอื่นไปดูหนังไปฟังเพลงไปกินเลี้ยงไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือไปทำบุญผ้าป่าวัดนั้นวัดนี้ไปสร้างไปฉลองเจดีย์ฉลองโบสถวัดนั้นวัดนี้งานกระถิ่นงานอะไรต่างๆก็จะไม่ไป จะทุ่มเทให้กับการจเจริญจิตตภาวนาปีกฤเวกเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติเจริญสมาธิมมาธแล ะ, จะเจริญปัญญาตามลําดับนี่คือจิตตความแ น, วน่วแน่มั่นคงกับการปฏิบัติวิมังษาใจก็จะคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติพิจารณาทำที่ต้องพิจารณา ต้องพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะพิจารณาต้องพิจารณาอาสุภะก็จะพิจารณาต้องการพิจารณาดินน้ำลมไฟธาตุสี่ก็จะพิจารณานี่เรียกว่าวิมังสาความไา้ควรจะไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่คิดว่าจะไปทอดพระปาที่วัดนั้นไปสร้างเจดีย์ที่วัดนี้ไปกราบพระที่นั่นที่นี่ผู้ที่ได้เข้าสู่การปฏิบัติแล้ว รู้แล้วว่าไปหาพระรูปไหนท่านก็จะสอนให้เรากลับมาปฏิบัติเหมือนกันถ้าเป็นพระปฏิบัติจริงไปกราบท่านท่านก็จะถ้าบอกให้เรากลับเข้าไปเข้าทางทางจงกรมไปนั่งสมาธิไปอยู่ตามป่าตามเขานี่คือเรื่องของการกำจัดความนังเล ส, สงสัย ต้องฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของที่เป็นของแท้ของจริงก็คือพระสูตรต่างๆหรือคำสอนของพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆแล้วเราก็จะได้กบจัดความหลังเลสงสัยและสร้างอิทธิบาสิขึ้นมาได้อุปสรรคข้อที่สองที่เรามักจะเจอกัน ก็คือความลักความสุขความสบายทางร่างกายรักความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ท่านก็สอนให้เรารักษาศีนแปดกันคือให้เราละ ก, การหาความสุขทางร่างกายเช่นสีนข้อ3ก็ให้ถือเป็นอ布รมจริยาเวรมณีคือจะไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่น อันนี้ก็จะจะได้ไดกําจัดอุปสรรคเพราะว่าเวลาภาวนาบางทีก็ไปคิดถึงเรื่องของกามาลุมก็ไม่มีกรจิตกระจายที่จะมาพุโทโธพุโทโธจะคิดแต่รูปของคนที่เรารักเราชอบคิดถึงความสุขที่จะได้รับจากการร่วมหลับนอนร่วมสังวาสกับคนที่เรารักเราชอบถ้าเราถือศีลแปลดแล้ว หรือสินข้อสามนี้แล้วยังไม่สามารถกำจัดความคร้ยความยินดีในกามอารมณ์ได้เราก็ต้องจำเป็นที่จะต้องเจริญอสุภะกรรมฐานให้จิตเราพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายโดยเฉพาะร่างกายของคนที่เรารักเราชอบคนที่เราอยากจะร่วมเสร็จสังวาส ด, ด้วย ดูส่วนของที่ไม่สวยงามก็คือส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังเช่นเนื้อเอ็นกระดูกรดกระดูกดก็ดูตั้งแต่สีส ร, ร, ระคงกะโหลกสีสระลงมาถึงซี่โครงแขนขาต่างๆแล้วก็ดูเนื้อเอ็นดูอวัยวะต่างต่างเช่น ม, ม้ามหัวใจตับ ผังผืนปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าที่มีอยู่ในลำไส้ดูสมองในในในสีสามนี่คือให้ดูอาการที่มันไม่ดูไม่น่าดูไม่น่าชมแล้วดูสิ่งที่เป็นส่วนที่เป็นปฏิกูลสกปก เช่นน้ำต่างๆน้ำเลือดน้ำดีน้ำเหลืองน้ำสเลจน้ำเหง่อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดน้ำมูดก็คือน้ำปัสสาวะอาหารเก่าก็คืออุจจาระนี่คือสิ่งที่ไม่สวยไม่งามที่มีอยู่ภายในนภายในร่างกายซ่อนอยู่ใต้ผิวหนัง ทำให้ผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่สามารถมองเห็นได้จะเห็นแต่ส่วนที่อยู่บนผิวหนังอยู่ก็จะเห็นว่าเป็นส่วนที่สวยงามทำให้เกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้ถ้ามองเข้าไปในส่วนที่ไม่สวยไม่งามการอารมณ์ก็จะดับได้หรือจะนึกถึงเวลาที่ร่างกายนี้แก่ หนังเหี่ยวย่นผมหงอกขาวผมร่วงหรือจะมองตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือจะมองดูตอนที่ร่างกายนี้ตายไปก็ได้ดูสร้างศพขั้นตอนขั้ น, ข, นขั้นต่างๆตอนตายใหม่ๆตายไปสามวันหลุดพองขึ้นมาถ้ า, าไปเช็งในป่าช้าก็จะถูกแร้งกาสุนัขมากัด เนื้ อ, อส่วนชิ้นส่วนของร่างตายก็อยา ก, กระจัดกระจายแขนไปทางขวาไปทางดูสภาพเหล่านี้แล้วจะทำให้ตรงได้จะทำให้ไม่มีการมาลมได้เพราะว่าถ้าเวลามีการมาลมนี้จะเดินจงกรมไม่ได้จะนั่งสมาธิไม่ได้ใจมันจะไม่ยอม จเจริสติจะไม่ยอมอยู่กับการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธจะไม่ยอมอยู่กับ ก, บการเคลื่อนไหวของร่างกายจะคิดถึงแต่ร่างกายที่สวยงามที่รักที่ชอบอันนี้ก็คือวิธีที่เราจะทําลายการมัฉันทะความความสุขทางร่างกายในส่วนที่เกี่ยวกับการเสพกาม คือเสพสังวาสร่วมหลับนอนกับผู้อื่นถ้าเรายังมีความยินดีกับการหาความสุขจากการรับประทานอาหารเราก็ต้องถือศีลข้อหคือให้เราละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการ รับประทานอาหารเย็นอาหารค่าแล้วก็จะมีอุปสรรคอย่างอื่นตามมาถ้ารับประทานอาหารมากเกินไปก็จะทําให้เกิดนิวรข้อที่เรียกว่าความง่วงเหงาหงานอนตามมาได้ก็จึงเป็นจะต้องถือศีลข้อหกันถือศีลข้อ6คือไม่รับประทานหนังเที่ยงวันก็ยังมีปัญหาก็คือยังง่วงนอน เกิดนิวรคือความว่่งนอนก็ต้องลดปริมาณของการรับประทานคือฉันฉันหลังจากเที่ยงวไม่ไม่ฉันหลังจากเที่ยงวันแต่ก็อาจจะฉันรับประทานสองมื้อก็ได้มื้อเช้ากับมื้อกลางวันก็ต้องลดลงมาหรือมื้อเดียวเอามันหนเดียวรับประทานวันละหนึ่งครั้งถ้ารับประทานวันละหนึ่งครั้งแล้วยังวง น, นอนอยู่ก็ให้ อดเลยก็ได้รับประทานไม่รับประทานอาหารแต่จะผ่อนด้วยการดื่มน้ําปานะหรือดื่มนมไปในช่วงเช้าก็ดื่มนมในช่วงบ่ายก็ดื่มน้ําปานะไปเพื่อจะได้กําจัดนิวรนคือความง่วงเหงาหานอนส่วนถ้าอดอาหารแล้วคือถ้ารับประทานน้ำ ถือศีลข้อหแล้วตอนเย็นก็ยังมีความหิวอย่างๆแล้วประทานอาหารอยู่ไม่มีกระจิตกระใจที่จ ะ, จะเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาก็ให้ใช้การพิจารณาอาหาเรเลยปฏิกูรษสัญญาก็ให้พิจารณาความไม่สวยงามของอาหารอย่าไปมองอาหารที่อยู่ในอยู่ในจานอยู่ในถาด ให้นึกถึงอาหารที่ถูกเคี้ยวถูกบดผสมกับน้ําลายอยู่ในปากถ้าอยากจะรู้ว่ามันมีรูปลักษณะอย่างไรเวลารับประทานอาหารก็ลองคลายมันออกมาดูเคี้ยวแล้วก็คลายมันใส่จานแล้วก็ตักมันเข้าไปใหม่ตักเข้าไปในปากใหม่เพื่อจะได้นึกถึงภาพอาหารที่เวลามันอยู่ในปากที่แสนอรเห็ดอร่อยว่า เวลาเห็นภาพของมันแล้วยังอยากจะรับประทานอยู่หรือเปล่านี่ก็คือวิธีกาจัดกามาฉันทะที่เกี่ยวกับความอยากจะรับประทานอาหารหรือจะมองดูอาหารที่อยู่ในปัจจัยอยู่ในท้องก็ได้เวลาอาเจียนออกมาอันนี้ก็เป็นอาหารเหมือนกันหรือจะดูอาหารเวลามันออกจากร่างกายมาแล้วก็ได้ เวลามันลงไปอยู่ในโถส้วมก็ลองพิจารณาดูนึกถ่ายภาพอาไว้ในใจทุกครั้งเวลาอยากจะรับประทานอาหารเย็นมันจะได้ได้เห็นภาพแบบนี้แล้วมันก็จะไม่หิวก็จะไม่ต้องมีนิวรณ์คือการมาฉันทะที่เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอยากจะรับประทานอาหารมันก็จะไม่อยากจะรับประทานถ้านึกถึงสภาพของ ความไม่สวยงามไม่น่าดูของอาหารเวลาที่เข้าไปอยู่ในปากเวลาที่อยู่ในท้องเวลาที่ออกมาจากลําไส้ว่ามันเป็นอย่างไรอย่างนี้รับรองได้ว่าจะรักษาศีนแปดข้อที่หกได้อย่างสบายจะไม่มีความรู้สึกอยากจะรับประทานอาหารเมื่อยังไม่ถึงเวลานี่ก็คือ เป็นการแก้นิวอนที่เรียกว่าการมาชันทะและความง่วงเหงาหงานอนความง่วงเหงาเหงานอนนี้ก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปหรือว่าถ้าอดแล้วยังง่วงอยู่ก็อาจจะต้องใช้วิธีแก้ด้วยการไปอยู่ในสถานที่ที่น่ากลัวเช่นไปนั่งสมาธิเดินจงคมในป่าช้าจะไม่ง่วงนอนจนตื่นทั้งคืน จะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ทั้งคืนแล้วก็จะใจก็จะจดจ่ออยู่กับก้างเจริญสติเพราะจะกลัวถ้าไม่ควบคุมใจให้อยู่กับพุโทโธเดี๋ยวไปคิดถึงเรื่องที่น่ากลัวก็จะอยู่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ผู้ที่อยากจะเจริญสติจึงมักจะไปหาสถานที่น่ากลัวเพราะเวลาน่ากลัวก็จะต้องใจก็ต้องอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเพียงอย่างเดียว ไม่กล้าไปคิดถึงสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายพอใจจดจ่ออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่แหละคือปัจจัยที่จะเอื้ออานวยต่อการเจริญสมถภาวนาเพื่อทำจิตใจให้เข้าสู่ความสงบได้ก็คือการถือศีลข้อหเพื่อระงับความอยากในอาหาร และแก้วความง่วงเอ้าวเหงานอนถ้ายังไม่หายถ้ายังง่วงนอนอยู่ก็ให้ลุกออกไปให้ไปอยู่ที่ป่าช้าไปอยู่ที่หน้าหน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวเวลาเกิดความหวาดเสียวหวาดกลัวขึ้นมานี้จะนอนไม่หลับจะตื่นอยู่ตลอดเวลานี่ก็คือวิธีการแก้วความง่วงเอ้าเหงานอนแก้วความอยากในการรับประทานอาหาร แล้วถ้ามีานิวรณ์ข้อที่เรียกว่าพยาบาทคือความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทคนนั้นคนนี้ผู้ที่ภาวนานี้มักจะเกิดความโกรธได้ง่ายเพราะเวลาบำเพ็ญจิตตภาวนานี้จิตจะถูกบังคับไม่สามารถออกไปหาความสุขทาง ตาหูจมูกลินกายได้ก็จะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อความโกรธเวลาใครทำอะไรหรือพูดอะไรไม่ดีนี้จะโกรธขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วดังนั้นพรเจ้าถึงทรงสอนให้เจริญเมตตาภาวนาให้ให้แผ่เมตตาก็คื อ, คอให้มีความคิดปรารถนาดีต่อผู้อื่น ไม่ไม่ให้คิดร้ายต่อผู้อื่นให้ให้อภัยต่อผู้อื่นไม่จองเวรเวลาผู้อื่นพูดหรือทำอะไรที่ทำให้เกิดความโกรธขึ้นมาก็ให้รีบแผ่เมตตาทันทีเพื่อที่จะได้ดับระงับความโกรธความพยาบาทที่มีอยู่ในใจเพราะถ้ามีความโกรธความพยาบาทแล้ว จะไม่สามารถที่จะภาวนาได้จิตจะร่มร้อนอยู่กับความเครียดแค้นความโกรธความมาคาดพยาบาทจะไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาบอเลคมพุทโธพุทโธพุทโธจึงต้องหัดซ้อมสร้างเมตตาบารมีขึ้นมาให้ได้คือตั้งใจว่าต่อไปนี้จะไม่โกรธใครทั้งนั้นจะให้อาภัยทุกคนไม่ว่าใครจะทําอะไร จะให้ความสุขกับเขาถ้าการกระทำของเขาทำให้เขามีความสุขก็ยินดีด้วยอนุโมทนาด้วยเช่นเราจะนั่งสมาธิเขาจะพูดคุยโทรศัพท์กันส่งเสียงมารบกวนเราเราก็จะไม่ถือสาถ้าเป็นความสุขของเขาเราก็ยินดีเราจะไม่โกรธถ้าเรารู้ว่าเขาชอบพูดโทรศัพท์วันหลังเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขาก็แล้วกัน ไปอยู่ที่ที่ไม่มีคนพูดโทรศัพท์ไปเปรกไม่เวกถ้ายังไปเปรกไม่เวกไม่ได้ยังต้องอยู่กับคนนั้นคนนี้ก็ต้องแผ่เมตตาถ้าไม่แผ่เมตตาแล้วใจมันจะร้อนแล้วมันจะไม่สามารถที่จะเจริญสติได้ไม่สามารถที่จะภ า, าะวนาได้นี่คือการแก้ความโกรธความมาฆาตทยาบาล แล้วถ้าเกิดมีนิวร์คือความคิดฟุ้งซ่านก็ให้คิดไปในทางไปรักคิดถึงเรื่องความตายคิดถึงเรื่องของความเสื่อมของสิ่งต่างๆเราฟุ้งกับเรื่องอะไรก็ให้คิดถึงเรื่องนั้นให้เห็นว่าเรื่องนั้นในที่สุดมันก็ต้องเสื่อมหมดไปเราฟุ้งกับคนนั้นห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ก็พิจารณาความตายของเขา พิจารณาว่าไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องตายไปถ้าเราพิจารณาเห็นความตายเห็นความเสือ่อมเห็นความสิ้นสุดของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆเราก็จะคลายความทุกง์ซ่านได้หรือหรืวิธีหนึ่งก็คือให้เราหมัน่นเจริญสติอยู่เรื่อยๆควบคุมความคิด ต, ตุ่มตั อย่าปล่อยให้ออกไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าเราใช้พุทโธพุทโธก็ขอให้เราเบรยกับพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจกับเรื่องของคนนั้นคนนี้ถ้าเราอยู่กับการเคลื่อนไหวกับการกระทำของร่างกายก็ให้เข้าอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายให้อยู่กับปัจจุบัน อยาไปคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีตหรืออยากไปคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นในอนาคตอย่างนี้ก็จะทำให้ระ ง, งับควบคุมความฟุ้งซ่านได้แต่ถ้าระ ง, งับไม่อยู่ออกไปฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้ใช้ปัญญาก็คือพิจารณาความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นตายลักเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตา ไม่ช้าก็เร็วเรื่องนั้นก็จะต้องจบคนนั้นก็จะต้องจบสิ่งนั้นก็ต้องจบจบแล้วก็หมดปัญหาไปแต่เราไม่มองเห็นความตอนจบกันเราก็เลยวุ่นวายกับตอนที่ยังไม่จบกันกลัวเขาจะเป็นอย่างนั้นกลัวเขาจะเป็นอย่างนี้กลัวเขาจะทิ้งเราไปกลัวเขาจะจากเราไปแต่พอพิจารณาตามความจริง ยังไงงไงเขาก็ต้องทิ้งเราไปจากเราไปอยู่ดีแล้วเราไปกลัวหาอะไรกลัวไปก็ไปหยุดเขาไม่ได้เขาก็ต้องไปอยู่ดีทิ้งเราอยู่ดีคิดอย่างนี้แล้วความฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้มันก็จะระงับหยับไปก็จะกลับมาภาวนาเจริญสตินั่งสมาธิเดินจงกลมพิจารณาปัญญาได้ นี่ก็คือเครื่องไม้เครื่องมือที่พระเจ้าได้ส่งมอบไว้ให้กับผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาเวลาที่ต้องเจอกับอุปสรรคทั้งห้าประการคือหนึ่ความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองความรักความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายสามความ ความมาค่าทพยาบาตรความ3ามความง่วงเหงาหานอน 4. ีความมาค่าทพยาบาต5ความฟุ้งซ่านความคิดฟุ้งซ่านต่างๆสิ่งเหล่านี้เราสามารถกําจับมันได้ด้วยวิธีการที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ให้ในศิลงข้อ8ในสิ่ข้อในศิน่งแนี้ก็ยังมีข้อ7ที่ยังไม่ได้พูดถึงข้อ7ก็คือ การหาความสุขทางตาหูจมูกเงื้องายเช่นการออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆการไปดูมอหสศดูบันเทิงต่างๆตัง้ต ง, ตงดูทั้งฟังอันนี้ก็จะเป็นการทำให้ไม่มีกระจิตกระใจที่จะ <c oughs> อยู่ในสถานที่สงบสงัดวิเวกเพื่อที่จะเจริญจิตตะภานาก็ต้องถือศีลข้อที่เจ็ดนี้ ไม่ดูไม่ฟังเครื่องบรรเทิงต่างๆแม้แต่ข่าวสารก็ไม่ต้องฟังอตอนที่อยู่กับหลวงตานี้ท่านห้ามหมดวิทยุทีวีหนังสือพิมพ์ไม่ให้รับรู้อะไรทั้งสิน้นเพราะพอรับรู้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะทำให้เกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ฟังข่าวบ้านเมืองได้ยินข่าวสารบ้านเมืองกาลังวุ่นวาย ใจก็เลยวุ่นวายตามไปด้วยไม่มีกระจิตกระใจที่จะมาเดินจงกมนั่งสมาธิเป็นผู้ที่ต้องการที่จะได้ผลจากการเจริญสมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาก็าจจาเป็นที่จะต้องไม่ดูไม่ฟังเรื่องราวต่างๆขอให้ถือว่าเราได้ตายจากสังคมนี้ไปแล้วโลกนี้ไปแล้วเราเข้ามาอยู่อีกโลกหนึ่งแล้ว โลกของนักปฏิบัติโลกของนักปฏิบัตินี้ก็คือการเข้าข้างในการปฏิบัตินี้มีเป้าหมายอยู่ที่เดินใจให้กลับเข้าสู่ฐานตอนนี้ใจไม่ได้อยู่ในฐานเหมือนกับทหารไม่ได้อยู่ในฐานทัพออกไปต่อสู้กับข้าศึกนอกนอกฐานทัพสู้ไปจนเมื่อเมื่อยล้สู้ไปจนหมดแรงแต่ก็ไม่มี ไม่มีกําลังที่จะกลับเข้าไปในฐานทับเพราะหนึ่งก็ไม่รู้ว่าตนเองไม่ได้อยู่ในฐานทัพออกมาข้างนอกอยู่ตลอดเวลาจิตของพวกเรานี้ออกมาอยู่ตามรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มาวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆที่รับรู้ผ่านทางตาหูจมูกิลงกายอยู่ตลอดเวลา หาความสุขไม่ได้เลยหาความสงบไม่ได้ไม่มีกำลังจิตกำลังใจที่จะต่อสู้กับข้าศึกศัตรูก็คือกิเลสตัณห า, าความโลภความอยากต่างๆเพราะไม่ไม่กลับเข้าสู่ที่พักเพื่อที่จะสร้างเสริมสร้างพลังถ้ากลับเข้าสู่ที่พักได้ก็จะมีโอกาสที่จะได้เติมพลัง พอเติมพลังแล้วเวลาออกจากฐานมามาเจอข้าศึกศัตรูก็จะสามารถทำลายข้าศึกศัตรูได้แต่ตอนนี้ทำลายไม่ได้เลยไม่ว่ากิเลสตัวไหนตัณหาตัวไหนเจอมันที่ไรก็แพ้มันทุกทีก็เพราะว่าไม่เคยเข้าสู่ฐานฐานของจิตก็คือความสงบที่เรียกว่าสมาธิที่เรียกว่าอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ อันนี้แหละคือที่การภาวนาที่เราต้องการจะทำผลที่เราต้องการก็คือดึงใจให้กลับเข้าสู่ฐานเพื่อที่จะได้เติมพลังนั่นเองพอมีพลังแล้วก็ออกมาข้างนอกพอมาเจอข้าศึกศัตรูก็จะได้อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ต่อสู้กับ กิเลสตันหาเข้าศึกศัตรูได้อตอนนี้ถ้าไม่ยังไม่มีสมาธินี้ถึงแม้จะมีปัญญาของพระพุทธเจ้ามีใจรักมีอสุภะแต่พอถึงเวลาจริงๆเดึกไม่ออกถ้าเป็นเปือนก็ชักไม่ออกมีก็ชักออกมาถ้าออกมาก็ไม่มีแรงที่จะฝันข้าศึกศัตรูอืม เสียดายรักรัก่าศึกษัตรูกลัวฆ่าศึกัตรูจะตายกลัวกามฉันทะจะตายกลัวความโลภจะตายกลัวความอยากจะตายกันเพราะว่าไม่มีกำลังไม่ได้กลับเข้าไปในฐานเพื่อเติมกำลังก่อนการปนาการภาวนาในเบื้องต้นจะต้องดึงใจให้เข้าสู่ในฐานให้ได้ก่อน เข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้นี่คืองานขั้นต้นถ้าเป็นการทำงานทำมาหากินก็ต้องกลับบ้านไปกินข้าวพักผ่อนหลับนอนก่อนเช้าตื่นขึ้นมาพอมีกำลังแล้วค่อยออกไปทำมาหากินได้ถ้าไม่กลับบ้านเลยหาหากินทำมาหากินทั้งวันทั้งคืน จะมีเรี่ยวแรงที่ไหนจะไปทรมาหากินได้ก็ต้องกลับมาพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารจิตก็เช่นเดียวกันถ้าต้องการที่จะทำลายข้าวเสกศัตรูที่เป็นงานของจิตก็คือต้องมีกำลังต้องมีการพักผ่อนหลับนอนในสมาธิเพื่อจะได้สร้างอุเบกขาขึ้นมาจิตที่มีอุเบกขานี้จะเป็นจิตที่ พร้อมที่จะฟังเหตุฟังผลถ้าจิตไม่มีอุเบกขานี้จะไม่ยอมฟังเหตุฟังผลจะมีแต่อารมณ์ชอบอะไรก็ต้องว่าดีเสมอทั้งๆ ท, ที่จะตายเพราะสิ่งที่ชอบมันก็ยังเรียกว่าดีอยู่เช่นคนติดยาเสพติดนี่ยังไงยังไงมันก็เลิกไม่ได้มันก็ต้องว่าดีอยู่ทั้งๆ ท, ที่ตัวอย่างก็เห็นอยู่แล้วว่าเสีไปก็มีแต่จะตายเท่านั้น แต่ก็จะเลิกไม่ได้เพราะไม่มีอุบเบกขาถ้านั่งสมาธิทำใจสงบให้เป็นอุบเบกขาได้พอออกมาพอเห็นโทษของการเสพยาเสพติดก็เลิกได้เห็นโทษของปัญหาความอยากในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะเลิกได้นี่แหละคือความสำคัญของสมาธิที่ ไม่มีใครที่จะสามารถมองข้ามไปได้ถ้ามองข้ามสมาธิไปแล้วก็ไม่มีวันที่จะทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นข้าศึกษัตรูของใจได้ดังนั้นในเบื้องต้นนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนไปเจริญปัญญาเบื้องต้นนี้มาคอยควบคุมความคิดตัวแต่งที่จะดึงใจให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วดึงมันเข้ามาให้ได้ด้วยการเจริญสติถ้ามีนิวรก็ต้องใช้วิธีกำจัดนิวรต่างๆอย่างที่ได้แสดงไว้อย่างน้อยก็ต้องถือสีแปดเป็นพื้นฐานของการป้องกันนิวรต่างๆแล้วก็ต้องใช้กรรมาฐานชนิดต่างๆเวลาที่เกิด นิวรชนิดต่างๆขึ้นมาเช่นเวลาเกิดการอารมก็ต้องใช้กรรมฐานคืออสุภกรรมฐานถ้าเกิดความโกรธก็ใช้ความเมตตากรรมฐานไว้เป็นเครื่องมอ้เครื่องมือในการาต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่จะทำให้ไม่สามารถเจเริญจิตตภาวนาได้ พอไม่มีอุปรสรรคแล้วก็ขอให้เจริญสติให้เกิดขึ้นมาให้ได้เพราะสตินี้จะเป็นผู้ที่จะดึงใจให้เข้าสู่ฐานคือสมาธิได้ถ้าจิตถ้ามีสติจดจอ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่างต่อเ น, นื่องตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาที่กําลังนั่งอยู่นี้ไม่นานเพียงห้านาทีสิบนาทีจิตก็เข้าสู่สมาธิได้ ถ้านั่งไปเป็นสิบเป็นยี่สิบสามสิบนาทียังเข้าไม่ได้ก็สแสดงว่าใจไม่ได้จดจอ่ออยู่กับอารมณ์เดียวกับเรื่องเดียวใจจะวับไปเรื่องนั้นวัดมาเรื่องนี้สลับกับการอยู่กับอารมณ์ที่ได้กําหนดเช่นพุโทโธได้สองสามคำก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอได้สติก็กลับมาพุโทโธใหม่แล้วเดี๋ยวก็ไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ใหม่ นั่งไปงนั้นเป็นครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่มีวันที่ ส, สงบได้แล้วพอนั่งไปนานๆเข้าก็จะเกิดอาการเมื่อยอาการเจ็บตามร่างกายก็จะไม่อยากจะนั่งต่อไปการภาวนาก็จะล้มเหลวไม่ได้ผลเพราะว่าไม่มีสติสติไม่มีกําลังพอที่จะดึงใจให้เข้าข้างหนถูกกิเลสตัณหาดึงออกไปหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆนั่นเอง การภาวนานี้ก็เป็นเหมือนกับการชักกรยืดระหว่างสติกับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสสติเป็นฝ่ายธรรมกิเลสเป็นความอยากจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นฝ่ายกิเลสถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธเราก็จะมีธรรมถ้าเราเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะกลายเป็นกิเลสไปพอคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะไม่เข้าข้างในมันจะออกข้างนอก ถ้าคิดอยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวมันก็จะเข้าข้างในดังนั้นเราต้องสร้างสติคือสร้างกำลังของฝ่ายธรรมให้มีมากกว่ากำลังของกิเลสจิตก็จะถูกดึงเข้าข้างในได้ถ้ากิเลสมีกำลังมากกว่ากิเลสก็จะดึงออกไปข้างนอกนั่งไปเท่าไหร่จิตก็ไม่สงบสักทีคนที่มีกำลังสติมากๆนี่ นั่งภายในหนาที1ิบนาทีก็เข้าสู่ความสงบได้ก่อนที่จะมานั่งจึงต้องเจริญสติก่อนไม่ใช่มาเจริญสติตอนที่นั่งก็เหมือนกับคนที่นักมวยที่ไม่ซ้อมชกก่อนพอถึงเวลาก็ขึ้นเวทีไปชกไปชกกับคู่ต่อสู้เลยถ้าไม่ซ้อมไว้ก่อนพอขึ้นไปโดนหมัดเดียวก็น็อกแล้วแต่ถ้าคอยซ้อมชกอยู่เรื่อยๆนี่ พอเพ้นไปก็จะได้มีความพร้อมที่จะต่อสู้กับคู่ต่อสู้ฉันใดเวลานั่งสมาธิก็เช่นกันจะ ต, ต้องจเจริญสติก่อนสร้างสติขึ้นมาก่อนถึงจะสามารถนั่งแล้วทำให้เกิดผลคือความสงบได้ถ้าไม่มีสติพอมาเริ่มมานั่งก็ฟุ้งเลยตั้งแต่เริ่มตน้นพุโทโธได้สองคำก็ไปแล้วเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องนั่นเรื่องนี้น ไปจนกระทั่งถึงเวลาเจ็บปวดขึ้นมาก็เลิกภาวนาเนี่ยภาวนามากี่ปีไม่ได้ผลก็เพราะอย่างนี้ว่าไม่ได้เจริญสติอย่างต่อเนื่องไว้ก่อนนั่นเองการจเจริญสตินี่ต้องทำตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับเลยต้องดึงใจให้อยู่กับปัจจุบันอยู่เรื่อยๆ อ, อย่าให้มันลอยไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ในอนดีตหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ในอนาคต ให้อยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับการกระทาการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้<ม>ให้เฝ้าให้จดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวหรือถ้าอยู่กับร่างกายแล้วยังเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เอาพุโทโธเข้ามาช่วยก็ได้ทำอะไรโดยที่ไม่ต้องใช้ความคิดแล้วอย่างไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็เอาพุทโธมาช่วยเนเวลารับประทานอาหารอย่างนี้ ถ้าไม่อยู่กับการปักอาหารอยู่กับการเอาอาหารเข้าปากเคีวยวอาหารกลืน อ, อาหารหมัวแต่ไปคิดเรื่องนัน้เรื่องนี้ระหว่างที่กำลังรับประทานอาหารก็ต้องใช้พุทโธดึงกลับมาพุทโธพุทโธไปแล้วก็รับประทานอาหารไปถ้าอยู่กับสามารถอยู่กับการรับประทานอาหารได้อย่างต่อเ น, นื่องก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ คือตามใดที่ไม่มีความคิดปรุงแต่งเราก็ไม่ต้องใช้พุโทโธหยุดถ้าเราสามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็ใช้ร่างกายไปแต่ถ้าใช้ร่างกายแล้วมันยังไม่อยู่มันยังแวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องใช้พุโทโธดึงกลับเข้ามานี่คือการเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิต้องทาตั้งแต่เติ่นขึ้นมาเลยเกิดข้มันเป็นนิสัย แ้วต่อไปพอมันเป็นนิสัยนะมันจะไม่ไปมันจะอยู่กับปัจจุบันจะอยู่กับพุโทโธจะอยู่กับร่างกายพอเวลานั่งสมาธิให้มันอยู่กับลมหายใจมันก็จะอยู่กับลมหายใจให้มันอยู่กับพุโทโธมันก็จะอยู่กับพุโทโธแล้วมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วพอจิตเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพบอุเบกขาอุเบกขาก็คือความอิ่มนี่เองคน คนที่มีอุเบกขาก็คือคนที่มีความพอไม่หิวไม่ต้องการไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรอันนี้แหละเป็นตัวที่เราจะต้องอรักษาให้ได้หลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วเวลาออกจากสมาธิมานี่กิเลสที่ถูกกดด้วยกำลังของสมาธิที่ยังไม่ตายมันก็จะโผล่ขึ้นมามันก็จะมาหลอกมาล่อให้จิตออกจากความเป็นอุเบกขา หลอกล่อว่าของนั่นสวยของนั้นงามอ้นั่นอร่อยไอ้นี่น่ารับประทานเพื่อที่จะได้ผลิตความอยากขึ้นมาพอผลิตความอยากขึ้นมาใจก็หายจากอุบเบกขาแล้วพอมีความอยากความอิ่มก็หายไปความหิวก็ตามมาแต่ถ้ามีปัญญาก็จะรู้ทันว่านี่เป็นมายากลของกิเลสที่จะหลอกให้เราหิวทั้งๆ้ง ท, งที่เราไม่หิวพอรู้ทันก็ไม่กินไม่ดื่มตามที่มันบอก ถ้าจะกินจะดื่มก็ต้องเป็นเวลาเหมือนกับเวลารับประทานยาจะกินจะดื่มเพื่อร่างกายเพื่อรักษาให้ร่างกายอยู่ได้แต่จะไม่กินไม่ดื่มเพื่อที่จะให้มีความสุขจากการกิดการดืม่มเพราะจะเห็นว่าความสุขแบบนี้เป็นความสุขเดียวเดียวความสุขชั่วคราวแล้วก็จะผลิตความหิวความอยากที่จะดืม่มอยากจะกินอีกเห็นพอ รู้ทันใช้ปัญญาหยุดมันได้จิตก็จะกลับเข้าสู่อุเบกขาได้เข้าสู่ความสงบได้ต่อไปก็จะไม่มีความหิวความอยากกับเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆเครื่องดื่มต่างๆอาหารต่างๆจะกินก็จะกินเพื่อรักษาร่างกายไม่ได้กินด้วยความอยากไม่ได้กินเพื่อให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้กินก็ไม่เดือดร้อน เพราะร่างกายนี้ก็ได้ตัดแล้วดูแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเหมือนหมาตัวหนึ่งที่เราเลี้ยงนั่นเองถ้ามีข้าวให้มันกินก็ให้มันกินไปถ้าไม่มีมันจะอดตายก็เรื่องของมันคนเลี้ยงไม่ได้ตายไปกับร่างกายไปโกรธทาไมใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่เดือดร้อนกับการกินกับการอดของร่างกายมีก็ให้มันกินตามเวลาอย่างที่เราเลี้ยงหมาแล้วก็ให้มันกินวละมือ้อ ไม่ได้เอาขนมนมเนยมาเลี้ยงมันตองช่วงนั้นช่วงนี้เห็นไหมให้มันกินหนเดียวก็เสร็จก็จบร่างกายก็เหมือนกับหมาตัวหนึ่งถ้าปฏิบัติธรรมถ้ามีปัญญาก็จะเห็นว่ามันเป็นเหมือนสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเท่านั้นเองไม่ต้องไปดูแลรักษาเลี้ยงดูบรรดาเป็นเจ้านายทุกวันนี้เราเลี้ยงร่างกายเหมือนเป็นเจ้านายของเราปณิมัตมันอย่างดีอาหารต้องเลิศต้องรู้ เครืดื่มต้งเลิศต้องรู้ทุกสิ่งต้องอย่างต้องดีไม่หมดต้องเป็นของมีราคาแพงแพงเสื้อผ้าถูกถูกก็ใส่ไม่ได้กระเป๋ารองเท้าถูกถูกถ ก, ถ ก, ถก็ใช้ไม่ได้อันนี้หละเราเป็นการไปเลี้ยงดูหมาที่เป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงมันเป็นเหมือนเจ้านายแล้วมันมันทําประโยชน์อะไรให้กับเราได้บ้างมันทําอะไรให้เราไม่ได้มันเคยให้ความสุขกับเราไหม มันมีแต่ให้ความทุกข์กับเราตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นความหลงมันทําให้เราเห็นว่าการได้ทําอะไรตั้งทําอะไรให้กับร่างกายแล้วทําให้เรามีความสุขเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายนั่นเองถ้ารู้ว่าไม่เป็นร่างกายแล้วเราจะไปทําให้มันเลยถ้ามันรู้ว่ามันไม่เป็นของเราถ้าเรารู้ว่าลูกที่เราเลี้ยงมานี้มันไม่ได้เป็นลูกเราเราจะไปเลี้ยงมัน เราไม่รู้รมันเลยหลงคิดว่าเป็นลูกเราแล้วก็เลี้ยงมันอย่างดีที่ไหนได้เป็นลูกของคนอื่นเขามาฝากไว้เอามาทิ้งไว้หน้าบ้าน น, <c oughs> นี่แหละคือเรื่องของปัญญาถ้ามีปัญญาแล้วก็จะไม่มีความหลงจะรู้ว่าสิ่งที่จะต้องรักษามีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นก็คือใจรักษาอุบเบกขาของใจ ให้ใจไม่หิวไม่อยากไม่ต้องการอะไรก็เนี่ยขั้นตอกนการสร้างอุเบกขาขึ้นมาด้วยการเข้าสมาธิแล้วพอต้องออกจากสมาธิมาก็ให้ใช้ปัญญารักษาสมาธิรักษาอุเบกขาต่อไปสิ่งที่จะมาทำลายอุเบกขาก็คือกิเลส ต, ตัณหาความอยากความโลภต่างๆนั่นเองถ้าใช้ปัญญาก็จะสกัดกั้นได้คืออะไรที่จำเป็นก็โอเคทาไป ดูไปกินไปได้อะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปดื่มสิ่งที่ไม่จาเป็นนี่เรียกว่ากิเลสตัณหาสิ่งที่จาเป็นนี่ถือว่าไม่ใช่กิเลสตัณหาเช่นเวลากินยาอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นกิเลสตัณหาเพราะไม่มีใครอยากจะกินยาแต่ในเวลากินข้าวก็ต้องให้กินแบบกินยาไม่ได้กินเพราะความอยากกิน กินเพราะจําเป็นต้องกินถึงเวลาต้องกินแล้วก็กําหนดเวลาไว้เช่นอมนนักปฏิบัติทจะกินวันละมือ้อพอหมดเวลานั้นแล้วก็จบ<ม>ไม่กินอีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนุ่งขึ้นอย่างนี้มันก็จะตัดเรื่องปัญหาเรื่องของความอยากต่างๆไปได้หมดเ<อ>พราะไม่มีอะไรต้องจําเป็นจําเป็นจะต้องเป็นเศรษฐีหรือเปล่าจําเป็นจะต้องมีสามีหรือเปล่าจําเป็นจะต้องมีภรรยาหรือเปล่า ไม่มีภรรยาไม่มีสามีก็อยู่ได้ไม่มีลูกก็อยู่ได้ไม่ได้เป็นเศรษฐีก็อยู่ได้ไม่ได้เป็นนายกก็อยู่ได้ น, นี่ไปเดือดร้อนกับอะไรนี่คือปัญญาใช้เหตุใช้ผลแล้วก็จะกําจัดตัณหาทั้งสามได้คือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภาวะตัณหาได้ถ้ากําจัดตัณหาทั้งสามได้ก็หมดปัญหาไม่มีปัญหาอีกต่อไป ปัญหาก็คือตัวตันหานี่เอปัญหานี่แหละเป็นตัวที่สร้างปัญหาขึ้นมาเวลาตันเกิดตันหาขึ้นมาเป็นเหงา่ใจกระสับกระส่ายกวนกวายขึ้นมา ท, าทันทีพออยากจะได้ลายนี้โอ้โหนั่งนั่งคิดนอนคิดรอมันอยู่นั่นจะได้หรือเปล่าเนาะบางทีไม่แน่ใจก็ไปขอร้องคนอื่นให้ให้กาลังใจมาหาพระพระไม่ดูหรืออีหนอยเนค่ยก <c oughs> แล้วก็ต้องไป วุ่นวายกับการอยากของคนอื่นหลวงพ่อช่วยขอให้หนูได้นู่นได้นี่นะได้เลยหลวงพ่อเอยังไม่ได้เลยไม่เคยคิดเลยความอยากมันทําให้อุเบกขาหายไปหมดเลยดัยงนั้นเวลาถ้าเราได้อุเบกขาแล้วเราจะรู้เองว่าเราจะไม่รักษาอะไรละเราจะไม่อยากได้อะไรแต่กิเลสมันยังไม่ตายมัน มันยังจะออกมาหลอกมาล่อเราอยู่แล้วถ้าเราเผลอก็ถูกมันหลอกไปได้เรานั้นเราต้องระมัดระวังหลังจากที่เราได้สมาธิออกมาแล้วขั้นต่อไปเราต้องคอยเจริญปัญญาคอยพิจารณาทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นว่าคนทุกคนนี้เป็นอสุภะไปหมดเป็นเหมือนผีเดินผีดิบเดินได้ผีดิบผียังไม่ตายเลยผีดิบนะ เวลาตายแล้วก็เป็นผีเป็นเวลาตายก็เอาไปฝังเอาไปทิ้งที่ป่าชา้าไปใส่โรงอันนี้ก็ผีเป็นผีดิบก็ผีที่กำลังเดินอยู่นี่กำลังนั่งฟังเทศฟังธรรมอยู่นี่เป็นผีทั้งนั้นเน่ผีมันมาจากไหนฮะผีผีเป็นมันก็มาจากผีดิบเนี่ยพอคนไม่หายใจเขาเ้าเลยก็เป็นผีแล้วเป็นซากศพ พิจารณาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะต่อไปมันจะไม่มีกามอารมณ์มันจะไม่มีตัญหาความอยากแล้วมันก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายเป็นนิพพานังปรมังสุขขังเป็นความสุขไปตลอดเวลาเป็นศูนย์อย่างเพราะศูนย์จากความอยากนั่นเองศูนย์จากกา마ตัญหาภาวตัญหาวิภาวตัญหาศูนย์จากโมหะ สูญจากโลภะศูนย์จากาโทสะนี่คือควาหมายของจิตที่ศูนยญจิตที่สะอาดบอยสุดจิตตัวจิตเองไม่ได้ศูนย์คนบางคนฟังว่าพอปฏิบัติไปถึงนิพพานแล้วจิตก็ศูนย์ไปเลยหายไปเลยนี่ใครอยากจะปฏิบัติใครอยากจะไปนิพพานบ้างไปแล้วก็หายไปเลยหายมันไปหายได้ยังไงมัน มันก็มีอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นมาตลอดเป็นแต่มันมีแบบทุกข์นะมันอยู่แบบทุกข์นะเพราะมันมีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆแต่พอได้ปฏิบัติจเจริญสติสมาธิปัญญากําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปแล้วจิตก็ว่างจากสิ่งเหล่านี้เหมือนการบ้านนราถ้าเราทําความสะอาดเอาของต่างๆออกจากบ้านไปให้หมดบ้านมันไม่หายไปไหนหรอก บ้านมันก็ยังอยู่หรือเสื้อผ้าที่เราไปซักเราซักเสื้อผ้าเพื่อกำจัดสิ่งสกรปรกคราบสกรปรกต่างๆที่ติดอยู่ในเสื้อผ้าพอซักเสร็จออกมาเสื้อผ้าก็สะอาดปราศ จ, จากคราบสกรปรกสูญจากคราบสกรปรกต่างๆแต่เสื้อผ้าไม่ได้สูญหายไปไหนจิตไม่ได้สูญหายไปไหนถ้ามันสูญหายแล้วมันจะเป็นปรมังสุขขังได้อย่างไร นิพพานังพรามังสุขังนิพพานังพรามังสนอย่างสูญจากความโลภความโกรธความหลงสูญจากตัณหาความอยากต่างๆสูญจากความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆสูญจากอารมณ์ต่างๆมันสิ่งเหล่านี้มันจะสูญไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่สักแต่ว่ารู้เฉยๆไปนะเห็นอะไรก็เฉยๆใครด่าก็เฉยๆใครชมก็เฉยๆใครทําอะไรก็เฉยๆ เพราะมั น, ม, นมันรู้ว่าการไม่เฉยนี่มันติดทุกข์นะท่นั้นเองก็เลยต้องเฉยเฉยแล้วมันสบายแต่ตอนนี้พวกเราเฉยไม่ได้ทําท่าจะเฉยแต่มันเฉยแบบกั้นไว้เหมือนคนกั้นปัสสาวะเฉยแบบนั้นเหมือนมืนรถที่ยังติดเครื่องอยู่ยังเข้าเกียร์อยู่แล้วก็เหยียบเบรกไว้ทั้งเองเพอปล่อยเบรกปับ๊บมันก็พุ่งเลย ตอนนี้เราเฉยด้วยการใช้สติบังคั บ, บกดมันไว้พุทโธพุทโธพอเพอพอหยุดพุทโธปั๊บตันหามันก็กระเด็นออกมาเด้งออกมาดันจิตออกมาเลย <S <S 1> <S 1> เราต้องถอด ต, ตัวที่จะดันออกมาตัวที่จะถอนจิตตัวที่จะดึงจิตออกดันจิตออกมาก็คือตันหากิเลสนี่เองพอทําลายมันได้ด้วยปัญญาแล้วต่อไปมันก็จะไม่มีกําไม่มีที่จะ ไม่มีที่จะไม่มีอะไรที่จะดังใจให้ออกมาวุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะรับรู้อยู่ในฐานของตนรับอยู่ในอุเบกขารับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยอุเบกขาใครจะเป็นใครจะตายก็รู้ทําอะไรได้เหรมันก็เป็นอนัตตาทั้งนั้นสัพเพตมานัตตาสามีจะตายลูกจะตายภรรยาจะตายใครไปห้ามก็ได้เวลาก็จะตาย ไปร้องหมร้องไห้แล้วทาให้เขาฟื้นกลับขึ้นมาหรือเปล่าใช่ไหมมันก็เฉยไปเพราะไปร้างห่มร้องไห้ก็ทุกข์ไ ป, ปเปล่าเหนื่อยไปเปล่าไม่ได้อะไรไม่ได้ประโยชน์อะไรเหมือ น, นกับเวลาที่คนเขาเสีย อ, อกเสียใจก็ต้องหาของอะไรมาทําลายร่างกายเอาของแหลมของคมมาขีดมาทําอะไระแสดงความเศร้าโศกเสียใจ ให้คนอื่นก็เห็นว่าโอเวลานี่รักเขามากเสียดายของมากบ้าหรือเปล่ารหรือมันโง่หรือเปล่าบางคนก็มีธรรมเนียมสามีตายภรรยาก็ต้องตายตามด้วยเวลาเผาศศสามีก็ตัวเองก็ต้องกระโดดเข้ากองกองเพลิงไปด้วยนั่นแหละเรื่องของความบ้าความหลถ้าปฏิบัติทําแล้วก็จะเห็นว่าทุกอย่างมัน เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาจะตายไปเขาตายไปแล้วเราไม่ร้องไห้ก็ไม่ได้แสดงว่าเราไม่ได้รักเขาไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้บีดน้ำตาเพื่อให้รู้ว่าเรารักเขาหรอกรักเขาเขาก็ไม่กลับมาอยู่ดีนี่คือใจของผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่มีปัญญาผู้ที่กำจัดกิเลสตัณหาได้หมดแล้วจา จะนิ่งจะสงบอยู่ในทุกกรณีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามถ้าถึงเรียกว่าปรมังสุขขังตลอดเวลาความนิ่งความเป็นอุเบกขานี่แหละเรียกว่าเป็นปรมังสุขขังเป็นความสุขที่แท้จริงดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามาจเจริญจิตตภาวนากันถ้ามีอุปสรรคก็ให พยายามแก้ด้วยวิธีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แก้กันแล้วอุปสรรคต่างๆก็จะถูกกำจัดไปผลที่ควรจะได้ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับตั้งแต่ขั้นสติขั้นสมาธิขั้นปัญญาไปจนถึงขั้นพระนิพพานและสามารถเกิดขึ้นได้ภายในภพนี้ชาตินี้บางท่านก็ทำได้ภายในเจวันบางท่านก็ทาได้ภายในเจเดือนบางท่านก็ทาได้ภายในเจปี ดังนั้นอย่าไปรังเลสงสัยขอให้เราเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราจะไม่ผิดหวังการสแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยาทาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสขาขังเอวเมวะอิโตทินาง เปตานังอุปการปติอิทธิ์ต um ังปฏิตังตุ่มหังคิปะเมวะสมิจโตตุสภะปุเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยทามณิโชติระโสยทาสพีติโยวิวัชจันตุสัพโรโควินัสตุ มาเตผวะตวันตรายุสุขีทีคายุโกภวะอาภีวาธนาสีลิสะนิจังวุทธาปจายโนจะตาโรธรรมาวะทานติอายุวัโนสุขังพาลังมีใครอยากจะถามปัญหาไหม มีอะไรจะเล่าไหฟังได้ปฏิบัติเล่าได้ผลอะไรบ้างว่าแบ่งกันจะได้มีกำลังจิตกำลังใจว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นสันติโกเป็นอากาศโกเกิดขึ้นได้ทุกยุคทุกสมัยผู้ปฏิบัติเป็นผู้ที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้า มีอะไรจะถามบ่าไม่มีอ่ะถามมาคือเป็นคนปฏิบัติธรรแต่ว่าไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่เพราะว่าัะเกตว่าตัวเองเวลานั่งสมาธิอะไรมันชอบคิดไปเรื่องอื่นเรื่องงานอะไรจะแทรกเข้ามาตลอดเวลาอนะเพราะว่าเราไม่ควบคุมความคิดไว้ก่อนที่เราจะมานั่งคือเราต้องควบคุมความคิดถ้าเราอยากจะทําใจให้สงบในก่อนจะมานั่งนี่เราต้องคุมมันไว้ก่อนแล้วแทนเราต้องพุทโธไปเรื่อยๆทั้งวันเลย ที่จะพุทโธได้ทั้งวันนี่มันก็ต้องไม่ทำงานเพราะว่าถ้ามันทำงานมันก็จะไปคิดเรื่องงานต้องคิดเรื่องงานคนที่ทำงานทำการจริงไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการที่จะนั่งสมาธิกันคนที่จะประสบความสำเร็จในการนั่งสมาธินี่ต้องเป็นคนที่ตกงานคนท yeah. ี่ไม่มีงานทำคนว่างงานพอว่างงานแล้วก็ไปอยู่วัดได้อยู่วัดก็สามารถควบคุมความคิดได้ อยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่างเดียวได้พออยู่กับพุโทโธอย่างเดียวได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ยิ่นถ้าอยากจะได้ผลจริงๆก็ต้องอย่าทํางานเวลาที่จะฝึกสมาธิเช่นเราก็ทำเป็นเป็นจากน้อยไปหามากก่อนก็ได้เช่นอาทิตย์หนึ่งเราก็เอาสักวันหนึ่งเราทํางานเรามีวันหยุดสองวัน เอาวันหนึ่งมาใช้กับการฝึกทำสมาธิก็ได้วันนั้นเราจะถือศีลแปดเราจะไม่ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดูละครดูอะไรเพราะดูแล้วมันก็จะทำให้เราคิดตามไปเราจะไม่ไปคุกคีไม่ไปสังคมกับใครจะเก็บตัวอยู่คนเดียวแล้วก็ ไม่ทำงานทำการอะไรอย่างนี้เราก็จะสามารถที่จะเจริญสติได้เวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้พระเจ้าถึงทรงวันหยัดวันพระขึ้นมาวันพระก็เพื่อที่ให้เราได้ปล่อยวางภารกิจทางโลกทางร่างกายแล้วเราจะได้มีเวลามาทำภารกิจทางจิตใจหยุดงานหนึ่งวัน <c oughs> เพื่อที่เราจะได้มาเจริญสติกันมานั่งสมาธิกันมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันก็จะได้ผลถึงแม้จะเป็นวันเดียวก็ยังก็ยังดีกว่าไม่มีเลยพอได้ผลแล้วก็จะเกิดฉันทาวิริยะเกิดความอยากที่จะได้ผลมากขึ้นก็จะหาเวลาปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นงานไหนพอจะตัดได้ หยุดได้เว้นได้ก็จะตัดไปแล้วต่อไปก็จะตัดไปได้เรื่อยๆก็จะเห็นว่างานต่างๆนี้ให้ผลไม่ดีเท่ากับงานภาวนางานทําใจให้สงบผลของความสงบทางใจนี้มันยิ่งใหญ่กว่าผลที่เราได้จากการทํางานทําการต่างๆเช่นได้เงินได้ทองมาถึงแม้จะได้มากได้น้อยมันก็สู้ ผลที่ได้รับจากการทำสมาธิไม่ได้เพราะการทำสมาธินี้มันดับความทุกข์ได้ทำให้อิ่มให้พอแต่การได้เงินได้ทองนี้มันไม่ได้ดับความทุกข์มันไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มความพอกับจะทำให้เกิดความหิวความอยากได้เงินเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเรานก็จะเห็นโทษเห็นคุณกันเห็นโทษของงานทางโลกเห็นคุณขอ ง, งนงานทางธรรม นี่ก็จะหนักมาทางทาไปเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็ออกจากงานได้เลยทิ้งงานได้นะ ง, งานได้ <c oughs> ทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งลูกทิ้งหลานทิ้งสามีทิ้งภรรยาได้ไปอยู่ตามวัดได้ไปบวชได้ไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต้องไปแบบนี้ไปแบบพระพุทธเจ้าไปไปแบบพระอริยสงสาวกไปกัน ก็ต้องเริ่มต้นจากเลกไปหามากก่อนตอนนี้เราก็ลองทดลองเอาวันอาทิตย์ละวันดูก่อนวันไหนเป็นวันหยุดเที่อววันนั้นก็จองคิวไว้เลยว่าวันนี้จะไม่ไปไหนจะจองคิวว่าจะเป็นวันปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่จองคิวไว้เดี๋ยวเรื่องคิวอื่นมันจะมาแย่งไปเดี๋ยวเพื่อนมาชวนไปเที่ยวเดี๋ยวเรื่องนั้นงานงานแต่งงานคนนั้นงานกินเลี้ยงคนนี้มันจะมาแย่งคิวกัน แเราต้องจองคิวไว้ตรงน้าว่าจะไปอยู่วัดก็ได้ไปหาวัดอยู่สักวันหนึ่งก็ยังดี <c oughs> ลองทําดูแล้วจะได้ผลรับรองได้คือวันนี้ก็ถ้าลองทําตอนเช้ า, าก็ตื่นนอนก่อนที่จะรู้ตอนกลางคืนก็นนกยังดีก็ถือว่ามีจุดเริ่มต้นนะแต่ว่ามันได้น้อยเหมือนนอกกระจาะ ก, กินน้ํา <c oughs> สั้นๆเหมือนทำสั้นๆผลมันก็ได้นิดเดียวอาไมเวลาอย่างอื่นไม่ทำสั้นๆอย่างอื่นทำยาวๆพอมาถึงเวลานั่งสมาธิเอาสั้นๆกันมักน้อยสันโดษกันเลิกกันแต่เรื่องหาเงินหาทองไม่มักน้อยสันโดษกันเลยมันมันจิตได้แต่เงินแต่ทองมันไม่ได้มันไม่ได้ความสงบกัน มีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตเชินครับอาจารย์จากการแสดงทำอาทิตย์ที่แล้วครับมีคนเขาสงสัยว่าที่กล่าวว่าจะออกบวชให้บอกภรรยาว่าเป็นเอชไอวีแล้วไม่ผิดศีลข้อสี่หรื อ, อถ้าเป็นความจริงก็ไม่ผิดเนีย <laughs> แ, แล้วไม่จริงเหรอครับอาจารย์ไม่จริงก็ผิดอะไรแต่ไม่ผิดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะเขาเรียกว่าเป็นกุศโลบายอ <c oughs> เวลาออกบวชแล้วเคยมาสารภาพทีหลังว่าไม่ได้เป็นก็ได้เพราะเราไม่ได้อทําบาเพื่อปกปิดความชั่วของเราหรือไปทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนแต่อย่างใดเป็นการปกปิดเพื่อที่เราจะได้เข้าสู่ทางธรรมนี้มันไม่น่าจะเสียหายตรงไหน ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e b ุ๊ k พระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับจากคุณมดงามมีสุขนะครับข้อที่หนึ่งนะครับพระพี่สุขพรรษาอ่อนกว่าเห็นพระที่อาวุโสมากกว่าท่านทำผิดแล้วไม่กล้าบอกเช่นตักน้ำในร่องสวนรดต้นไม้ซึ่งย่อมมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยติดขึ้นมาตายวินัยสงฆ์พระผู้เห็นนิ่งเฉยเสีย ต้องอาบัตด้วยหรือไม่ผู้อาวุโสน้อยกว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรไม่ข้อที่หนึ่งก็คือไม่อาบัตนะอาบัตมันของใครของมันใครทําผิดคนนั้นก็เป็นคนรับผลผิดไปคนที่เห็นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่มีความผิดส่วนการจะตือนสอนผู้หลักผู้ใหญ่หรือไม่นี้ก็ต้องดูกาลเทสะดูว่าผู้หลักผู้ใหญ่นี้ท่านเป็น คนที่เราว่ากล่าวตักเตือนได้หรือเปล่าเกิถ้าพูดไปแล้วเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณก็เฉยๆเสียจะดีกว่าเราอย่ามาทำเป็นตัวเจ้ากรรมในเวรเป็นผู้ชี้ผิดชี้ถูกในเรื่องของคนอื่นอย่างที่เคยพูดอยู่เสมอว่าพวกเราชอบมองโทษของคนอื่นไม่ชอบมองโทษของเราเอง โทษของคนอื่นแม้เท่าผงทุลีก็มองว่าเท่ากับกองภูเขาโทษของเรานี้แม้จะเท่ากองภูเขาก็มักจะเห็นว่าเป็นเหมือนกองทุลีผงทุลีเพราะฉะนั้นขอให้เรามองกลับกันว่าโทษของคนอื่นแม้จะใหญ่โตก็เป็นเรื่องผงทุลีมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเราพูดไปแล้วมันเกิดโทษทำให้เขาโกรธเกลียดเรา ทำให้ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบก็อย่าไปพูดดีกว่าความผิดก็เป็นความผิดของเขาเองถ้าเขาไม่ยอมฟังพูดไปก็ไร้ประโยชน์แต่ถ้าก็เป็นคนที่พร้อมที่จะฟังคาว่ากล่าวตักเตือนของผู้อื่นถึงแม้ว่าตนเองจะมีพรรษามากกว่าเป็นผู้อาวุโสกว่าอย่างนี้ก็พูดได้ถ้าอยากจะพูด อย่างพระพุทธเจ้าท่านเคยภาวนาตัวเองต่อหน้าสงฆบอกว่าถ้าใครเห็นเราทําอะไรสิ่งที่เ อ, อไม่ถูกต้องก็เตือนเราได้พระพุทธเจ้าท่านบอกถ้ามีใครอยากจะไปเตือนพระพุทธเจ้ามั้ยถึงแม้ท่านจะทําทผิดเนี่ยใช่ไหมดังนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องของความผิดของผู้อื่นนะส่วนใหญ่มันเป็นกิเลส ข, ของเรามากกว่าเห็นความผิดของผู้อื่นแล้วก็อยากจะไปเจ้ากี้เจ้าการไปสอนไปบอกเขา ดูความผิดของเราดีกว่าแก้ความผิดของเราเราได้ประโยชน์แก้ความผิดของคนอื่นดีไม่ดีได้โทษได้เวรได้กรรมงนั้นต้องถ้าจะไปแก้ผู้อื่นไปชี้ความผิดของผู้อื่นนีเราต้องมีความมั่นใจว่าหนึ่งเรามีความเมตตาเราไม่ได้ทำเพราะความโกรธความเกลียดความอยากจะให้เขาทำให้ถูก เราทําด้วยความสงสารเห็นว่าเขาทําผิดไปเดินทางผิดเราต้องพยายามดึงเขากลับมาอย่างนี้สองก็ต้องดูว่าเขามีหูมีตาฟังเราหรือเปล่าถ้าเขาไม่มีหูพูดไปเขาไม่ได้ยินพูดไปก็เหนื่อยพอเอล่าแล้วพูดแล้วเขากลับโกรธเราเกลียดเราอย่างนี้พูดไปเขาก็ยังทําเหมือนเดิมอยู่นี่พูดไปทไําไมดังั้นการที่จะว่ากล่าวตักเตือนคนอื่นนี้ต้องระมัดระวัง ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจเรื่องของคนเองสนใจเรื่องของเราดีกว่าด่าเราดีกว่าทำผิดตรงไหนดา่ามั น, นแรงๆไปเลยมึงนี่ทำไมชอบทำอย่างนี้อย่างนั้นพูดหยาบคายขนาดไหนก็ได้พูดให้มันเข็ดหลามอย่างนี้หรือพูดแลามันไม่ฟังก็ต้องลงโทษมันไม่ให้มันกินข้าวอย่างนี้เนี่เราทำได้ได้ประโยชน์กับไม่ทำ ไปทําเรื่องที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายเกิดโทษกันขึ้นมาเนี่ยสงฆ์แตกแยกก็เพราะว่าสงฆ์ฝ่ายหนึ่งไปว่าสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งสงฆ์อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมรับก็ว่าฝ่ายหนึ่งมันก็เลยอยู่ด้วยกันไม่ได้พระพุทธเจ้ามาห้างก็ไม่ฟังดังนั้นการที่จะไปว่ากล่าวตักเตือนใครต้องดูหลายอย่างด้วยกันหนึ่งเรามีอยู่ในฐานะที่จะไปว่ากล่าวตักเตือนเขาหรือเปล่า สองผู้ที่จะรับการว่าเก่าวตักเตือนก็ยินดีที่จะรับฟังหรือเปล่าอันนี้ต้องต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูแต่พูดโดยหลักธรรมเนี่ยถูกแล้วผู้เจ้าบอกว่าทุกคนควรจะพร้อมที่จะรับโการว่าเก่าวตักเตือนของผู้อื่นเพราะอันนี้เป็นหลักการที่ดีเพราะการว่าเก่าวตักเตือนการชี้โทษของผู้อื่นนี้เป็นเหมือนซองกระจกให้เราดูนั่นเองเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้กับเรา บางทีเรามองไม่เห็นเนียเขาบอกเนี่ยคุมทรัพย์อยู่ตรงนี้ไปตรงนี้แล้วคุณจะได้ทรัพย์ไม่ทำอย่างนี้แล้วคุณจะได้ประโยชน์นี่หรือว่าเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราบางทีเราไม่รู้หน้าเราสะอาดหรือเปล่ามีขี้ตาหรือเปล่ามีขี้มูกหรือเปล่าพอเราส่องกระจกดูเราก็จะเห็นตอนนี้หน้าเราสกปรกเปื้อนเราก็จะได้ล้างได้เช็ดได้ก็เหมือนกันเวลาคนอื่นเขาชี้โทษ ชีความผิดของเราก็เป็นเหมือนเป็นกระจกสองสองหน้าเหล่านี้เองบางที่เรามักจะมองไม่เห็นโทษของเราอย่างที่พูดโทษของเราแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยต้องให้คนอื่นชี้บอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตพอเป็นเรื่องใหญ่โตเขาก็จะได้อรีบแก้ไขทันทีข้อที่สองนะครับแม่ชีผิดศีลข้อสอง หากเป็นพิสุจโทษนี้ถึงต้องประราชิกถ้าเช่นนั้นแม่ชีจะขาดจากการเป็นนักบวช ด, ด้วยหรือไม่คือแม่ชีนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นนักบวชแบบพระเป็นนักบวชแม่ชีถือว่าเป็นผู้ที่ถือศีลศีลแปดหรือศีลสิบเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ขาดจากการเป็นแม่ชีเพราะไม่มีโทษ บ, บังคับไม่เหมือนโทษของพระนี่มีโทษ บ, บังคับ การจะขาดจากการเป็นพระนี่ต้องผิดศีลสีข้อใหญ่ก็คือประราชิกสี่ฆ่ามนุษย์เสพประเวณีเสพเมทุนก็คือร่วมหลับนอนกับผู้อื่นลักทรัพย์หนึ่งมาศต้องมีราคะมีคุณค่าหนึ่งมาศหนึ่งมาศนี้เขาก็เปรียบเทียบเท่ากับทองคําทองคําเท่ากับมเมล็ดข้าวราคาของทองคําเมล็ดข้าวทองคําที่เป็นขนาดมเมล็ดข้าวนี้ สมัยนี้ไม่รู้กี่ตังค์ถ้าถ้ารักทรัพมากกว่านี้ก็ถือว่าเป็นประราชิกต้องขาดจากการเป็นพระหรือข้อที่สีก่ก็การอวนอุตริคุณธรรมวิเศษที่ไม่มีอยู่ในตนถึงจะขาดจากการเป็นพระไปข้อที่สามนะครับพระอาจารย์ได้ต่อไปในการแสดงธรรมแล้วนะครับจากคําถามนะครับ พระอาจารย์รูปหนึ่งบอกว่าหากบารมีไม่เต็มแม้จะเล่นความเพียรเอาเป็นเอาตายก็ไม่สำเร็จในชาตินี้จะได้มรรคผลนิพพานต้องสะสมบารมีเป็นแสนกับซึ่งเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราสะสมมากี่กับแล้วแต่ฟังท<ม>่านพระอาจารย์สุชาติแล้วมีกำลังใจปฏิบัติใช่เนี่ยได้ภายในชาตินี้ได้รับรองได้ถ้าปฏิบัติเป็น สุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนญายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนรับรองได้ว่าผลจะต้องเกิดอย่างแน่นอนก็ดูครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็พอท่านบวชแล้วท่านก็ปฏิบัติพอปฏิบัติท่านก็ได้ผลแต่คนที่บวชแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลเะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่บวชหรือไม่บวชอยู่ที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติแม่ชีก็ถ้าปฏิบัติก็บรรลุได้ อุบาสิกาก็บรรลุดได้นุ่งขาวหม่หมดำ น, นุ่งดำห่มขาวนี่ก็บรรลุดได้มันไม่ได้อยู่ที่ เ, เครื่องแบบอยู่ที่ตัวการปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นต้องปฏิบัติแน่นี้ก็จะได้กันทุกคนคำถามข้อต่อไปจากคุณสุภาสิทธิ์คำพีนะครับ ผู้จะปล่อยวางความยึดมั่นในกายได้ต้องสามารถปล่อยวางทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายในขณะนั่งสมาธิภาวนาได้ด้วยใช่หรือไม่โดยการปล่อยวางทุกขเวทนานี้ก็ปล่อยวางได้สองลักษณะปล่อยวางด้วยกําลังของสมาธิถ้าปล่อยวางด้วยกําลังของสมาธินี้ก็ยังไม่บรรลุเป็นพระโสดาบันเช่นเวลาจิต เวลาร่างกายเกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปจนจิตสงบอย่างนี้ก็จะไม่เรียกว่าเป็นโสดาบันคนที่จะเป็นโสดาบันนี้จะต้องปล่อยวางด้วยปัญญาเห็นว่าทุกเวทนานี้เป็นอนัตตาไปห้ามเขาไม่ได้เขาเกิดขึ้นมาตั้งอยู่ก็ต้องปล่อยให้เขาตั้งอยู่ไปถ้าไปอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเห็นอริยสัจเห็นทุกข์ขึ้นมา ก็เห็นอาลัย ส, สัตว์สี่เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปแล้วถ้าดับความทุกข์ใจด้วยการพิจารณาเห็นว่าทุกขเวทนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอ น, นัตตาห้ามเขาไม่ได้เขาจะเป็นจะอยู่จะไปเราไปทำอะไรไม่ได้เราต้องปล่อยวางเขาพอปล่อยวางเขา ความทุกข์ใจก็หายไปเหลือแต่ความทุกข์กายเหลือแต่ทุกขเวทนาทางกายที่ไม่รุนแรงเหมือนกับทุกขทางใจพอทุกขทางใจดับไปก็อยู่กับทุกขเวทนาทางร่างกายได้อย่างสบายเหมือนกับคนที่พิจารณาว่าค น, คนด่าเรานี่เราห้ามเขาไม่ได้พอปล่อยวางความอยากไม่เขาด่าเราได้ปั๊บก็ปล่อยเขาด่าไปก็นั่งฟังได้อย่างสบาย หัวล้อไปภายในใจมันไม่เมื่อยปากไม่ไงใช่ไหมทุกไปอยู่ที่ใจเราต้องเห็นตัวนี้เห็นอริยสัจสีอย่างเงี้ยถึงจะเป็นโสโดาบันได้ไม่ใช่อยู่ดีๆทุกหายทุกเวทนาหายไปแต่ไม่รู้ว่าหายไปอย่างไรเป็นอย่างไรแล้วก็มาว่าเป็นโสดาบันขึ้นมามันไม่เป็นอ่ะมันต้องเห็นอริยสัจสี่ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติ พระอริยบุคคลสี่ขั้นนี้จะต้องผ่านต้องเห็นอริยสัจในขั้นต่างๆทั้งนั้นถึงจะเรียกว่าเห็นธรรมไงผู้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมก็คืออริ ย, ยสัจสี่นี้ที่ไม่มีใครเห็นมาก่อนมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่เห็นอริ ย, ยสัจสี่นี้และรู้จักวิธีปฏิบัติกับอริยสัจสีนี้ทุกก็คือกําหนดรู้รู้ว่าตอนนี้กําลังทุกข์ใจ แล้วก็พิจารณาเห็นว่าทุกใจก็เกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่ไปบังคับเขาไม่ได้อันนี้เรียกว่าเห็นด้วยมรรคเห็นด้วยปัญญาพอเห็นอย่างนี้ก็ละสมุ ท, ทยัยปล่อยวางความอยากละความอยากได้เพราละความอยากได้นิโรธก็ปรากฏขึ้นมาการดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาดับด้วยปัญญาดับด้วยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทุกขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้เหมือนพระอริย์ขั้นสามสี่ขั้นนี้จะต้องเห็นเห็นเห็นโทษของความอยากพระโสดาบันก็เห็นโทษของความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพระสกิริดาคามีพระอนาคามีก็เห็นโทษของกามอารมณ์ความอยากในกามอารมณ์ความอยากที่จะเสพกามเวลาอยากจะเสพกามนี่มันหงุดหงิดนหนะมันกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายนะ เวลาแฟนไม่อยู่บ้านนี้นอนคนเดียวนี่มันเหงาไหมมันไม่เห็นความจริงอันนี้มันเป็นทุกข์มันไม่เห็นพอเห็นปับต่อไปก็ไม่เอาล้วแฟนเฟินอยู่คนเดียวไม่มีความอยากดีกว่านอนหลับสบายเนี่ยมันก็เห็นอริยสัจสี่เห็นว่าทุกข์ใจเกิดจากความอยากจะเสพกามนี่เอง ่าพระอาหารก็เหมือนกันเห็นความอยากในในตัวในตในตเองเอะ่ะยังมีตัวมีตนอยู่ในใจยังถือตัวว่าสูงกว่าคนนั้นต่ำกว่าคนนี้เท่ากับคนนั้นอยากให้คนนั้นเคารพเราอยากให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้กับเราถ้าถ้ามีปัญญาก็จะหยุดความอยากแล้วก็จะเห็นเฉยเฉยรู้เฉยเฉยใครจะทําอะไรก็เฉยกับเขาไปใครจะด่า ก, ก็เฉยใครจะชมก็เฉย รับรู้รู้แบบเฉยเฉยรู้แล้วก็ปล่อยวางไปคำถามข้อต่อไปจากคุณโควิตี้กัรเนอร์นะครับสอบถามเรื่องการทำวิปัสสนาสมาธิหรือกรรมฐานสามคำนี้ต่างกันอย่างไรสมาธิก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่อง กรรมฐานก็คืออารมณ์ที่เราใช้ในการเจริญสตินั่นเองมีอยู่สี่สิบชนิดด้วยกันเช่นพุทธานุสตินี่การบริกรรมพุทโธก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งด้วยการระลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าถ้าเราพิจารณาอสุภะนี่ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างหนึ่งถ้าเราแผ่เมตตาอันนี้ก็เป็นกรรมฐานอีกอย่าง เป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการทาใจให้สงบพูดง่ายๆกรรมาฐานสี่สิบแล้วแต่เหตุการณ์บังคับให้ใช้แบบไหนเวลาเกิดการอารมณ์มันไม่สงบเพราะการอารมณ์มันก็ต้องใช้อสุภาดับเหมันเวลามันไม่สงบเพราะความโกรธก็ต้องใช้ความเมตตาดับเหมันเวลาหิวอาหารอยากจะกินอาหารก็ต้องใช้อาหารเลยปฏิกู ล, ลสัญญาดับเหมันนี่เรียกว่ากรรมาฐาน สมาธิล่าอะไรคำหนึ่งนะวิปัสนาครับวิปัสนาก็คือการเจริญปัญญาเนี่ยการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นตามความเป็นจริงของเขาความเป็นจริงของทุกอย่างก็คือเขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่ถาวรมีการเกิดมีการดับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอนัตตาก็คือไปห้ามเขาไม่ได้ทุกขังก็คือถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ที่เรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาเพื่อจะได้ปล่อยวางทุกอย่างให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาให้รู้เฉยๆให้ให้อย่าไปยุ่งกับเขากายจะเป็นอะไรก็เรื่องของเขาเขาจะก็จะเอาศีรษะเดินก็เรื่องของเขาเขาจะเดินถอยหลังก็เรื่องของเขาเราจะกินเหล้าเมายาอจะทําตัวเป็นสุนัขก็ปล่อยเขาทาตัวของเขาไปไม่ต้องไปยุ่งกับเขานี่เรียกว่า วิปัสสนาเพราะรู้ว่าห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้สั่งแล้วทุกอยากจะให้เขาเป็นอย่างอย่างนี้แล้วมันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอปล่อยแล้วก็สบายโลง่งโล่งใจข้อที่สองนะครับรบกวนอธิบายเรื่องบุญที่เกิดตามข้อที่หนึ่งว่าเป็นอย่างไรผมอธิบายกับเด็กเป็นปรูปธรรมไม่ได้เช่นมันไปเกิดกับจิต และหรือมีผลบุญทําให้เราเจริญโชคดีหรือติดกับจิตเราไปพบหน้าอก็บอกเขาว่าบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับความสุขที่เราได้รับจากการได้เงินเงินถ้าเราได้เงินร้อยเราก็มีความสุขอย่างหนึง่งพอเราได้พันหนึ่งเราก็จะมีความสุขอีกอย่างถ้าเราได้หมื่นได้แสนมันก็จะได้ความสุขเพิ่มขึ้นไปบุญที่เกิดจากการปฏิบัติ ขั้นต่างๆก็เป็นเหมือนกับการได้รับเงินขั้นทานเราก็ได้ความสุขในระดับเงินร้อยขั้นศีลก็ได้ระดับเงินพันขั้นสมาธิก็ได้ระดับเงินหมื่นขั้นปัญญาขั้นวิปัสสนาก็ได้ระดับเงินแสนเงินล้านไปตามลำดับแล้วความสุขเหล่านี้มันก็จะติดไปกับใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย มันจะเป็นสมบัติที่ไม่ได้เสื่อมไปเหมือนกับสมบัติที่ได้จากผ่านทางร่างกายคือความสุขใจนี้มันยังติดอยู่กับใจต่อไปแล้วมันก็จะเป็นตัวเป็นเชื้อที่จะทำให้เราไปสร้างความสุขแบบนี้เพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆคําถามข้อต่อไปจากป้าอีทอัมพนานใบเงินนะครับมีภาวนาทุกเช้าสัมทัศิริยะจิตตะวิมังสา มีการให้ทานตื่นเช้าจิตจะจับพุโทโธจิตจะนึกถึงความตายวันนี้ตื่นมาแขนขาขยับได้ยังไม่ตายแต่ยังมีความห่วงใยลูกชายสอคนอยู่เมืองไทย ท, ทั้งที่เขาโตทำงานแล้วคนโตเป็นทหารคนเล็กเป็นแพทย์เมื่อเวลาเดินจงกรมและนั่งสมาธิจิตจักไปนึกถึงก็เอาจิตนึกไปว่า เขาสามารถตายได้ในขณะยังหนุ่มนึกถึงการตายของเขาทั้งสองอันนี้เป็นการส่งจิตออกนอกหรือไม่ไม่หรอกเป็นการพิจารณากายนอกพระจาส่งสอนว่าเราต้องพิจารณาทั้งกายในคือกายของเรากายนอกก็คือกายของคนอื่นถ้าเราพิจารณาแต่ร่างกายของเราส่วนเดียวเราจะคิดว่าเราคนเดียวที่ตายคนอื่นไม่ตายกันะ เราก็จะไปทุกข์ไปห่วงใยกับร่างกายของคนอื่นแต่ไม่ห่วงใยกับร่างกายของเราแต่ถ้าเราพิจารณาทั้งร่างกายของเราทั้งร่างกายของคนอื่นเราก็จะเห็นว่าเหมือนกันหมดทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายด้วยกันหมดเั่นเราก็จะรู้ทันทั้งร่างกายของเราและร่างกายของผู้อื่นเวลาร่างกายผู้อื่นตายเราก็ไม่ทุกเวลาร่างกายเราตายเราก็จะไม่ทุกข์พระเจ้าทรงสอนให้พิจารณากายในและก็พิจารณากายนอก แล้วกายพิจารณาทั้งกายในและกายนอกพร้อมๆกันไปนี่คือการพิจารณาร่างกายต้องพิจารณาทั้งสามส่วนส่วนของเราส่วนของคนอื่นและส่วนของเราและของคนอื่นพร้อมๆกันไปเช่นเวลาเกิดระเบิดนิวเคลียร์นนลงมาตรงสารานี้ก็ไปกันหมดเลยไปพร้อมกันหมดเลยอันนี้ไม่เรียกว่าส่งออกนอกอันนี้เรียกว่าปัญญา เวลาปัญญานี่มันจะไม่อยู่ข้างในมันจะไปทุกแห่งทุกขนทั้งอดีตทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตมันจะได้เห็นภาพอย่างชัดเจนเช่นเวลาเราพิจารณาร่างกายเหล่านี้เราอยากจะดูว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ดูวันที่มันออกมาจากท้องแม่เป็นอย่างไรแล้ววันนี้มันเป็นอย่างไรแล้วเวลาที่มันไปนอนในโรงเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเลยว่าอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงมีมีพัฒนาการของมันไปเรื่อยๆ นี่คือการพิจารณาให้เห็นอนิจจังส่วนหน้าตาก็ถามว่าเราห้ามมันได้ไหยห้ามไม่ให้มันโตได้ไหมออกจากท้องแม่มาเราให้มันเป็นเด็กอย่างนั้นไปตลอดได้หรือเปล่าตอนนี้เป็นสาวอยากให้มันสาวอย่างนี้ไปตลอดได้หรือเปล่ามันหนุ่มมันอยากให้มันหนุ่มอย่างนี้ไปได้ตลอดเวลาหรือเปล่าเวลามันแก่ห้ามมันไม่ให้มันแก่ได้หรือเปล่าเวลามันตายห้ามมันตายได้หรือเปล่าห้าไม่ได้ก็เรียกว่าอนัตตา แล้วถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้ามาอยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากมันมันจะเป็นไงก็ปล่อยมันไปตามความจริงของมันนี่การพิจารณาปัญญาต้องไปอย่างนี้ทั้งไปทั้งปัจจุบันอนาคตอดีตทั้งข้างในทั้งข้างนอกร่างกายก็ดูทั้งข้างในดูทั้งข้างนอกร่างกายของเราทั้งกายของคนอื่นกายในกายข้างใ น, งในหมายถึงร่าง อวัยวาต่างๆที่อยู่ภายใต้ร่างกายก็ต้องดูอนาคตก็ต้องดูเวลามันเป็นสร้างศพแล้วมันเป็นอย่างไรมันยังเป็นตัวเรายังเป็นของเราอยู่หรือเปล่าพิจารณาอย่างนี้มันชัดพอมันชัดแล้วมันก็จะปล่อยคำถามข้อต่อไปจากนายจุด ๆ, ๆนะครับในกรณีที่คนสองคนทําบุญเพื่อสร้างโบสถ์สร้างศาลาที่เดียวกันจานวนเงินเท่าๆกันคนหนึ่ง ทำเพื่อได้ร่วมสร้างวัดสร้างโบสถ์เพราะถือว่าเป็นบุญใหญ่แต่อีกคนหนึ่งคิดว่าเพื่อไว้ให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อธนุบำรุงพระพุทธศาสนาและไม่ได้ใส่ใจในตัวบุญที่ทำหรือคนหนึ่งปฏิบัติธรรมอีกคนหนึ่งไม่ปฏิบัติธรรมเช่นนี้ผลบุญของผู้ทำจะได้รับเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่และอย่างไร คือผลบุญหลักที่จะเกิดจากผู้ให้นี้อยู่ที่เจตนารมณ์คืออยู่ที่ว่าปล่อยหรือไม่ปล่อยการทําบุญนี้เพื่อให้เราปล่อยวางความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราอันนี้เป็นเป็นเหตุผลหลักในการทําบุญให้เราไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเพราะเราเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขัง อ, น, อ น, นัตตาอนิจจังก็คือสักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปแล้วเราต้องจากมันไปอนัตตาก็คือเราห้ามมันไม่ได้ ทุกขังก็คือเวลาถ้าเรายังยึดยังติดยังอยากจะห้ามันไม่ให้จากเราไปเราก็จะทุกข์ขึ้นมาเนี่เป็นการทําเพื่อให้เราได้ปล่อยวางความยึดติดในเงินทองเหมือนกับที่เราปล่อยวางร่างกายเวลาที่เราพิจารณาร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทําบุญทั้งหมดนี้เจตนาอยู่ที่ต้องการจะดับความทุกข์ใจเป็นหลักส่วนเรื่องอื่นนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมถ้าจะ ทำเพื่อให้ส่งเสริมในการศึกษาปฏิบัติธรรมมันก็ดีกว่าสร้างมาขึ้นมาให้มันดูหรูหราสวยงามแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรอันนี้เป็นเรื่องของภายนอกใจเราไม่เกี่ยวข้าใจเราภายนอกใจนี้เราก็บางทีก็ต้องใช้เหตุผลพิจารณาว่าทำแล้วจะเกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่คนรู้เป็นโทษกับเขาบางทีสร้างแล้วเป็นโทษก็ได้เช่นไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ในวัดปฏิบัติวัดปฏิบัติก็ไม่ต้องใช้เจดีย์ ก็กลายเป็นภาระของเขาต้องมาคอยกวัดมาคอยดูแลรักษาเจดีย์สร้างไปทำไมนะถ้าไม่ทั้กุฏิสร้างสถานที่ปฏิบัติให้คนที่ก็อยากจะปฏิบัติได้มาปฏิบัติทำกันนะพระพุทธเจ้าท่านก็ทำเป็นตัวอย่างแล้วท่านไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวมีแต่คนอื่นเขาอยากจะสร้างท่านก็ปล่อยก็สร้างไปแต่ถ้าถ้าจะจะสร้างคุณจะสร้างสถานที่เพื่อให้คนได้ปฏิบัติ เพื่อจะได้สร้างพระอริยกันขึ้นมาอันนี้ถ้าจะทำทำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดก็ต้องพุ่งไปที่การปฏิบัติการศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อที่จะได้ผลิตอริยะบุคคลขั้นต่างๆขึ้นมาในการสร้างอะไรก็ตามทำอะไรก็ตามควรจะพุ่งไปที่เป้านั้นก่อนถ้าเป้านั้นมีพอเพียงแล้วก็มาเป้ารองลงมาคือสงเคราะห์โลกอย่างหลองตานี้ตอนต้นท่านก็สร้างแต่พระอย่างเดียว สมัยแรกๆท่านไม่ออกไปยืงกับสังคมท่านจะเขี้ยวเข็นอยู่กับการอบรมสั่งสอนพระเองตลอดเวลาต่อมาท่านก็มีโรคมาเกี่ยวข้องด้วยมีปัจจัยที่ทำให้ท่านสามารถที่จะไปสงเคราะห์โลกได้เพราะปัจจัยไม่มีความสำคัญต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติธรรมท่านก็เลยเอาเงินทองนี้ไปสงเคราะห์โลกไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลไปสงเคราะห์ชาวบ้าน ชาวบ้านไม่มีสระน้ําท่านก็ซื้อที่ทําสระน้ําให้ชาวบ้านได้ไปใช้ตักน้ำเต้นน้ำน่าแลกมีสองสระสระหนึ่งให้คนสระหนึ่งให้ควายเห็นไหมตอนต้นสมัยแักๆถ้าไปบ้านตาทางขวามือเนี้ก่อนจะถึงจะมีสระอยู่สองสระสระแรกนี้จะไม่มีนวนนวดลวน้า ล, ล, ล, ล, ล้อมรั้วไว้อีกสระหนึ่งจะมีนวดน้ำล้อมรั้กันไม่ให้ควายเข้าไปใช้ อันนั้นให้คนใช่อันที่ให้ควายใช้ก็เปิดกว้างให้มัน้าไปดินด้ามได้เพราท่านมีศรัทธา ญ, ญาติโยมถวายปัจจัยเงินทองขึ้นมาท่านก็เลยเอาเงินทองนี่ที่ไม่จําเป็นต่อาการใช้เกี่ยวกับการส่งเสริมเนื่องการศึกษาปฏิบัติท่านก็เอามาสงเคราะห์โลกพอมีคนถวายเยอะขึ้นก็มีคนมาขอเยอะขึ้นหมอก็ขอลดขอ ขอเครื่องม้เครื่องมือขอตึกขออะไระก็ทำไปตามอันนั้นไม่ได้ทำเพราะท่านไปขวนขวายไปเลี่ยายไปบอกบอกบุญมันมาเองท่านก็สงเคราะห์โลกไปตามตามเหตุการณ์แต่เป้าหมายแรกของท่านที่ท่านต้องการที่จะผลิตพระอริยะบุคคลขึ้นมาจะอบรมสั่งสอนพร ะ, ะอันนี้ก็คือการทำบุญในลักษณะต่างๆ ถ้าอยากจะให้ศาสนานี้อยู่ไปนานๆก็ต้องเน้นในเรื่องการส่งเสริมเรื่องการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเรื่องฐาวราวัตถุนี้ก็สร้างเท่าที่จําเป็นก็คือกุฏิกับศาลานี้ก็พอแล้วถ้ า, ถ, าถ้าจะใช้กับการศึกษาและการปฏิบัติแต่ถ้าอยากจะให้ศาสนานดูมีราศีมีสง่าราศีก็สร้าง โบสร้างวัดแบบวิจิตรพิสดารติดเพชรติดพลอยอะไรไปก็สุดแล้วแต่อันนี้ก็ไม่ห้ามกันเพราะถ้ามีศรัทธาอยากรกะทำก็ทำไปแต่ประโยชน์ไม่เท่ากันแต่อย่างว่าจิตใจของคนก็มีหลายระดับจิตใจที่ยังเข้าถึงการปฏิบัติไม่ได้ก็ไม่เห็นไม่เห็นความสำคัญของความเรียบง่ายก็เห็นความสำคัญของความหรูหรา ตรงนี้เขาก็อยากจะทำอะไรให้รุ้งราให้ใหญ่โตก็ เ, เป็นบุญของเขาเหมือนกันเพราะอย่างไรเขาก็ได้สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเขาก็จะได้บุญในส่วนนั้นไปังั้นการทำทา น, ทนบางทีจึงบังคับกันไม่ได้ทานก็แบกไว้สี่สี่สี่ชนิดด้วยกันวัตถุทานวัตถุทานก็คือเนี้ยธาวรและวัตถุต่างๆเรียกว่าวัตถุทานวิทยาทานก็ให สนับสนุนการศึกษาไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมแล้วก็ธรรมทานก็คือการเผยแผ่ ธ, ธรรมะธรรสอนของพระพุทธเจ้าโดยสื่อต่างๆหนังสือบ้างซีดีบ้างนี้ก็เรียกว่าธรรมทานอีกการก็เรียกว่าอภรรัยทานอภัยทานก็คือการให้อภรรัยแม้อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมให้ความเมตตาต่อกันเมตตาคําจุนโลก อันนี้ก็คือการให้คำถามขอยกไปไปพรุ่งนี้ต่อครับอาจารย์จะเหลหลายข้อเดี๋ยวขอแค่นี้ก่อนอนะอะได้ทางนี้มีใครอยากจะถามอีกไหมอาจารย์เพิธีการสอนศีลห้าเด็กสามขวดมีหลานสามขวดสองคนไม่ต้องไปสอนถึงศีลห้าหรอะ <laughs> สอนให้เขาเชื่อฟังก็พอ <laughs> แ้วเวลาเขาผิดตรงไหนก็ค่อยบอกเขาไปค่อยบอกเขาอธิบายแล้วก็เขไปติดตรงที่ข้อสามกับข้อห้าเพราะว่าอย่างข้อห้าที่บ้านไม่เคยกินเน่าให้เขาเห็นเขาก็เนกไม่ออกเอไม่ต้องหรอกเขาบอกว่าเรื่องไม่ฆ่าสัตว์เขาไม่ฆ่าเองแต่เขาก็บอกพี่เลี้ยงว่ายุ่งมากเลยนะมุดมาเลยนไว้ให้เหตุไว้ให้เหตุมันเกิดก่อนแล้วค่อยค่อยสอนเรื่องข้อสานี่มันเรื่องของผู้ใหญ่มันไม่ใช่เรื่องของเด็กเรื่องข้อห้าก็เรื่องของผู้ใหญ่เหมือนกันยังไม่ใช่เรื่องของเด็ก ก่อนได้เดี๋ยวพูดพูดไปเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจวันนี้ เ, เข้าใจวันพรุ่งนี้วันต่อไปไม่หรอกให้ให้เขาถามก่อนดีกว่าหรือว่าให้เขาเริ่มมีประเด็นให้เขาคิดแล้วเราค่อยบอกเขาไปเพราะตอนนี้พูดไปเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเราก็ต้องรู้ภูมิของผู้รับฟังคําสอนว่าเขามีความสามารถที่จะรับรู้ได้มากน้อยเพียงไรไม่งั้นสอนวิปัสสนาไปเลยไม่เดีนะเดู๋จะได้จบกัน เทาสวดมนต์เราบอกว่ากลัสีแล้วให้ที่เลี้ยง น, นอนด้วยเราให้ที่เลี้ยงกลับด้อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่บวชราหุนเป็นสามเณรท่านก็สอนเรื่องสัจจะก่อนสอนให้เด็กมีสัจจะมีความซื่อตรงท่านทรงยกทรงตักน้ําขึ้นมาขันหนึ่งแล้วก็บอกราหุนทุกครั้งที่เวลาที่เธอพูดปดนี่เหมือนกับเธอเทน้ําในขันนี้ออกไปถ้าเธอพูดปดทีทก็เธอก็เทน้ําออกไปหน่อย พูดปดบ่อยๆต่อไปน้ำในขันก็จะไม่มีเหลืออยู่น้ำก็คือความดีงามในใจของเธอนะในตัวของเธอทุกครั้งที่เธอพูดปดนี้ก็เท่ากับทำลายความดีงามความน่าเชื่อถือของเธอไปต่อไปเธอก็จะเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อถือสอนแบบง่ายๆสอนให้เหมาะกับภูมิของเด็กอ่าว่ามห ให้สมาธิค่ะในการบําบัดรักษาโรคที่หมอรักษาไม่หายได้แต่ต้องนั่งสมาธิจนกท่านถึงท่านได้ทานได้อย่ามหรือได้ใช้ไห ะ, ะนี้เราจะถ้าสมมติว่าเราต้องรักษาตัวเองเนี้ยเราจะมีวิธีสังเกตได้ไหมว่าเราเนี่ยฝึกปฏิบัติจกระทั่งมันถึงท่านทแล้วยรักษาได้หรืแต่นี่ยนคือสังเกตการนะั่งสมาธินี่ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะรักษาโรคร่างกายรักษาโรคใจคือความทุกข์ใจเป็นหลักส่วน ผลพลอยได้ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทาให้โรคทางร่างกายหายไปนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับโรคถ้าเป็นโรคที่เกี่ยวกับความที่เกิดจากจากจิตที่ไม่สงบเช่นเกิดจากความเครียดอย่างนี้เวลาจิตสงบแล้วความเครียดหายไปโรคที่เป็นก็จะหายไปได้แต่ไม่ได้หายทุกโรคอย่างโรคมะเร็งเนี่ยคุณไปนั่งสมาธิมันไม่หายหรอกต้องพ่าอย่างเดียว โรคหัวใจโรคอะไรบางอย่างมันถ้าไม่ได้เกิดจากเอความผิดปกติของจิตใจเนี่ยมันมันมันไม่รักษาไม่หายหรอกด้วยสมา ธ, สมาธิสมาธิก็คือเวลาจิตสงบนิ่งเป็นอุเบกขาสัต์แต่ว่ารู้นั่นน่ะเรียกว่าเป็นฌานละเป็นความสงบแล้ะถ้ามันจะหายก็รู้เองอะ่ะไม่ต้องไปกังวลอ่ะอย่างหลวงปู่มั่นท่านก็เคยรักษาโรคปวดท้องของท่านท่านบอกว่าท่านเคย กินยาต้มยากินเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมหายในที่สุดท่านก็งงไม่เอาละวิธีรักษาด้วยการกินยาท่านจะลองรักษาด้วยการทําใจให้สงบคือตอนนั้นท้องท่านก็เจ็บท้งท่านก็ปวดท่านเลยต้องใช้ปัญญาแยกแยกแยะทุกขของเวทนาทางกายออกจากทุกทางใจในที่สุดท่านก็ปล่อยวางทุกทางร่างกายได้ปล่อยมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไป สนใจของท่านก็ไม่ทุกไปกับมันใจท่านก็สงบหายหายทุกแล้วพ อ, อ, อจากสมาธิมาความทุกข์ที่เกิดจากการการปวดท้องก็หายไปเพราะว่ามันมีความต่อเนื่องกันความเครียดความอยากจะให้ร่ า, างกายความเจ็บของร่างกายปวดท้องหายไปยิ่งทําให้มันเจ็บเพิ่มขึ้นพอปล่อยมันปับ๊บมันก็หายของมันเองได้ นั้นแต่อย่าไปหวังว่าสมาธิจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องรักษาด้วยยาแล้วก็รักษาไม่หายก็ต้องตายด้วยกันทุกคนนั้นอย่าไปคิดว่าคนมีสมาธิแล้วจะไม่ตายไม่มีไม่ใช่นแต่ที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันและการจปฏิบัติการทําสมาธินี้ก็ไม่ได้เพื่อที่จะรักษาร่างกายเพราะรักษาไงก็รักษาไม่ได้เสียเวลาไปเปล่า การปฏิบัติการจำิญสมาธินี้เพื่อรักษาใจเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาใจแต่ยังรักษาไม่หายขาดอย่างเด็ดขาดด้วยสมาธิเพียงอย่างเดียวต้องใช้ปัญญาควบคู่ด้วยถึงจะหายได้อย่างถ้าวอนถ้าไม่มีคำถามก็คิดว่าจะขอยุติ ก, การแสดงไว้เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านได้เอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ